พแล้วนะเวลาฟังธรรมเนี่ยธรรมะเป็นของสูงนะเราต้องฟังด้วยความเคารพแต่ไม่ถึงขนาดต้องนั่งพนมมือฟังนะฟังด้วยใจที่สงบที่สำรวมธรรมะนั้นสำหรับชาวพุทธเราเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนจะปรินิพพานท่านก็บอกว่าให้ ธรรมวินนยเป็นศาสดาแทนตัวท่านธรรมะเป็นความจริงเป็นสัจธรรมยั่งยืนส่วนร่างกายรูปประขันอะไรเงี้ยไม่ยั่งยืนรูปประขันโอ้โพระุทธเจ้าก็าแตกสลายไปแต่ธรรมะของท่านไม่แตกสลายธรรมะอันนี้เป็นของกลางเป็นของโลกถึงศาสนาพุทธจะหมดไปธรรมะก็ยังอยู่ นานๆไปข้านามีพระพุทธเจ้าอีกองคหนึ่งนนะมาคนพบธรรมะของเก่านี้แหละธรรมะก็เป็นของเดิมแต่คนก็รู้ขึ้นมาเป็นคร่าวๆเวลามีพระพุทธเจ้ามาสอนแต่ว่าพอสิ้นพระพุทธเจ้าไปเรามักจะทรงธรรมะไว้ไม่ได้กนะ็าหายไปคนก็ลืมธรรมะเนี่ยธรรมะก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้หายไปด้วยแต่ว่าคนไม่รู้จักนะ นานๆนานก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสโลอีกธรรมะก็กลับมาสู่ชาวโลกอีกไม่นานก็ลืมอีกเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรธรรมะแท้ๆนะั้นยากเหลือเกินเลยที่จะส่งเอาไว้ธรรมะนี่จะทรงอยู่ที่หัวใจเราเท่านั้นเองที่อื่นจะเก็บธรรมะไม่ได้เลยนะเก็บไม่ได้ตู้มันก็อยู่ในตู้เป็นหนังสือเฉยๆ ดังสิ่งที่จะทรงธรรมะเอาไว้ได้กนะ็คือจิตของเราที่สะอาดหมดจดมากพอแล้วจิตนี่แหละเป็นผู้ทรงธรรมไว้แล้วเราต้องมาศึกษานะค่อยๆศึกษาค่อยๆปฏิบัติเป็นมันหนึ่งจิตของเรากับธรรมะมันเป็นอันเดียวกันเราก็รักษาสืบทอดศา ส, สนาไปศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ปรัชญา ไม่ใช่เทวะวิทยา ม, มีพระเจ้าพระเจ้าจะมีหรือไม่มีนะอาจจะมีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สนใจประเด็นนี้เลยเพราะพระเจ้ามีอยูนะ่เราก็ต้องช่วยตัวเองในศาสนาคริสต์เาก็สอนวนะ่าพระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองดังนั้นถึงจะมีพระเจ้าหรือจะไม่มีพระเจ้านะเราก็ต้องช่วยตัวเอง คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่จะยกระดับจิตใจของเราเองขึ้นไปสู่ธรรมะถ้าเราเข้าไปสัมผัสธรรมะแล้วนะมีความสุขอันมหาศาลมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนนะร่างกายเราจะแก่จะเจ็บจะตายแต่ใจที่ทรงธรรมะอยูนะ่มันมีความสุขอยู่ได้นะแก่้าแก่แต่ร่างกายนะ ใจไม่มีความทุกข์เจ็บก็เจ็บแต่ร่างกายใจไม่มีความทุกข์จะตายก็ตายแต่ร่างกายใจเขาไม่มีความทุกข์เราจะพลาดพลาดจากสิ่งที่รักเราจะเจอสิ่งที่ไม่รักใจก็ไม่หวั่นไหวใจเห็นเป็นเรื่องธรรมดาต้องกระทบอารมณ์ที่ดีบ้างอารมณ์ที่เลวบ้างเนี่ยใจที่เข้าถึงธรรมะนะมันยอมรับธรรมะความจรงิงยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่กําลังปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา จิตใจของเราเนี่ยปกติจะไม่ยอมรับสิ่งที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยอย่างความสุขเกิดขึ้นเรายอมรับไม่ได้ยอมรับความจริงของความสุขไม่ได้นะว่าความสุขไม่เที่ยงความสุขต้องหายไปเพราะเรายอมรับไม่ได้เราอยากให้มันอยู่นานๆเมื่อมันหายไปเราก็รู้มั่นใจเสียตายอะไรอาวบ์หรืออย่างคนที่เรารักเนี่ยเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าวันหนึ่งจะต้องพลัดพรากยังไงก็ต้องพลัดพรากไม่จากเต็นก็จากตาย แต่ถ้าใจเรายอมรับได้นะเกิดความพลัดพรกากขึ้นมากระทันหันสมมุติว่าครอบครัวเราลดความตายเหลือเราอยู่คนเดียวเราก็ยอมรับได้ถ้ายอมรับได้ใจยังไม่เดือดร้อนเลยเนะี่ยใจถ้ายอมรับความจริงที่กําลังปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตาได้นะใจจะไม่ทุกข์หรอกแต่ถ้าใจยอมรับความจริงที่กําลังปรากฏต่อหน้าต่อตาไม่ได้นะใจจะทุกข์อย่างของของดีเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นอะไรต่ออะรความสําเร็จ um เกิดขึ้นนะ่ะ เราไม่ยอมรับความจริงว่ามันเป็นของชั่วคราวพนะอมันหายไปเราก็ทุกขนะ์หรือยังไม่ทันจะหายเลยเราก็กังวลกลัวมันจะหายอย่างเรามีทรัพย์สมบัติใช่ไหมเรากังวลไหมว่ามันจะหายนะมีมีอะไรขึ้นมานะเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะ่นะเพราะเรายอมรับความจริงไม่ได้ว่าวันหนึ่งมันต้องหายไปนะหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตนะเรายอมรับไม่ได้เราอยากให้หายเร็ว สิ่งทั้งหลายนะมาสู่ตัวเราเนี่ยเราเลือกไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องของกรรมนะว่าถ้ากรรมดีให้ผลเราเจอสิ่งที่ดีที่มีความสุขกรรมไม่ดีให้ผลมาเป็นครั้งเป็นคราวเราเจอสิ่งที่ไม่ดีเราปฏิเสธเราไม่อยากเจอสิ่งที่ไม่ดีใจเราจะมีความทุกข์ขึ้นมาแต่ชีวิตเนี่ยจะมีปัญหาตลอดเวลานะแต่จิตที่อบรมดีแล้วจะไม่มีความทุกข์ ก็ยอมรับได้ทุกสิ่งที่ปรากฏขึ้นมานี่ยอมรับได้หมดยอมรับความจริงของมันเป็ของไม่เที่ยงเป็นของเป็นผู้เป็นของบังคับไม่ได้ถ้าใจยอมรับความจริงไม่ได้ใจก็ทุกข์เรื่อยๆไปอย่างเวลาเรารักใครสักคนนะอยากให้เขารักเราตลอดการเลรู้สึกไหมในขณะที่เราไม่ได้รักใครตลอดการเรารักเป็นคราวๆกระทั่งเรารักพ่อรักแม่เรานะเรารักเป็นคราวๆนะนึกถึงก็รักนะไม่นึกถึงก็ไม่รักเลยนึกถึงในทางร้ายเราก็ไม่รักเหมือนกัน เป็นของแปลปลุนนะทุกอย่างมันเป็นของโชคครั้งโ่วคราวไปหมดเลยไม่ว่าทรัพย์สมบัติครอบครัวนะชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอะไรต่อใดนะเป็นของโชวคราวไปหมดเราจะต้องมาเรียนมาเรียนให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของโชวคราวถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้นะเราจะไม่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นปัญหาชีวิตอาจจะมีนะเช่นไม่สบายป่วยได้ แต่ใจจะไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลามีความทุกข์ทางกายแนละ้วจะต้องถูกความทุกข์ทางใจก็นําเข้าอีกทีนึงเหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่งนะคือความทุกข์ทางกายแล้วก็ต้องโดนธนูดอกที่สองตามมาในฉับพลันเลยคือความทุกข์ทางใจนะหรืออย่างเรามีทรัพย์สมบัตินะทรัพย์สมบัติเสียหายไปเนี่ยเป็นความทุกข์เรื่องต้อนหร อ, อเป็นปัญหา ถ้าใจเรายอมรับไม่ได้นะเราจะทุกซ้ําซ้อนขึ้นมาทางใจใจจะกลุ้มใจขึ้นมาศา ส, สนาพุทธเนี่ยท่านสอนจนกระทั่งเราสามารถถอดถอนความทุกข์ทางใจออกได้เหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายนะเหลือแต่ปัญหามีปัญหาแต่ไม่มีความทุกขนะ์ปัญหากว่ความทุกข์เป็นคนละเรื่องกันมีชีวิตอยู่เมื่อไหร่ก็มีปัญหาอยู่เมื่อ น, นั้นมีปัญหาอะไรปัญหาทั่วๆไป ความแก่ความเจ็บความตายไม่เป็นปัญหาทั่วๆไปทุกคนเจอความพลาดพลาดจากสิ่งที่รับทุกคนเจอนะอย่างเรามีลูกใช่ไหมไม่นานลูกก็จากเราไปไม่ได้ตายนะมันอาจจะจากไปเรียนหนังสือจากไปทํางานแลือแยกครอบครัวไปนะถ้าอยอมรับไม่ได้ก็พุ่มใจนะคนไทยเนี่ชยชอบพยายามสร้างบ้านหลังใหญ่ๆนะมีลูกหลายคนจะให้ลูกอยู่ด้วยกันนะนี่เป็นความคิดที่ไม่ค่อยฉลาดนะมันผิดธรรมชาติ สังคมเดี๋ยวนี้เป็นไปไม่ได้นะถึงเวลาเขาก็แยกไปนะอยู่กันสองคนตาใหญ่เหงานะเคยอยู่กันบ้านใหญ่ๆเหลือสองคนแล้วเหงายิ่งเหลือคนเดียวยิ่งเหงามากเลยนะแต่ถ้าใจเรามีธรรมะนะไม่เหงาหรอกใจมีธรรมะเนี่ยเคยอยู่คนเยอะแยะนะคนน้อยลงนะใจสงบสุขสบายภาวนาเหลือตัวคนเดียวนะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไม่เหงาเลยนะเรามีสติ เป็นเพื่อนเราตลอดเวลามีสติมีปัญญาเป็นเพื่อนอยู่กับใจของเราชีวิตไม่เงียบเหงาไม่เศร้าโศกอะไรเนี่ยสิ่งนี้ธรรมะให้เราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฝึกถ้าเราไม่ได้ฝึกใจของเราให้ดีพอธรรมะไม่เข้ามาสู่ใจของเราเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากธรรมะถ้าพวกเราคิดว่าศาสนาพูทธเป็นเรื่องแค่การมาทำทานมาใส่บาตรมาถาวายของอะไรนะการรักษาศีลในการไปนั่งสมาธิอันนี้เป็นเรื่องตื้นมากเกินไป ศา ส, สนาพุทธไม่ได้ตื้นแค่นั้นนะถ้าเราหยุดตัวเองอยู่แค่การทำทานการถือศีลการนั่งสมาธิก็เรายังไม่ได้ประโยชน์ที่แท้จริงจากพระพุทธเจ้าเลยเพราะอะไรเพราะการทำทานการถือศีลการทำสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะยิ่งแต่ท่านเห็นว่าเป็นของดีท่านก็ไม่ปฏิเสธก็ยอมรับเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธเอามาเป็นบาตมาเป็นฐานเพื่อจะมาสู่งานที่สาคัญที่สุดเลยคือการเจริญปัญญา งนั้นถ้าเราพัฒนาตัวเองนะขึ้นมาเป็นลําดับลําดับรู้จักทําทานา ร, าานารู้จักรักษาศีลรู้จักทําสมาธิฝึกจิตฝึกใจให้สงบฝึกจิตฝึกใจให้ตั้งมั่นนะสมาธิมีสองแบบอันหนึ่งสงบอันหนึ่งตั้งมั่นสงบก็ได้พักผ่อนตั้งมั่นเอาไว้เจริญปัญญาเพราะงานหลักของเราจริงๆในชีวิตพวกเรานะคือ ง, งานเจริญปัญญาเังนั้นชาวพุทธเราเนี่ยมีหน้าที่นะหน้าที่ของเราคือการเรียนนะ ถ้าคนเขาถามเราว่าชาวพุทธมีหน้าที่อะไรตอบเพไปเลยหน้าที่ของชาวพุทธคือการศึกษาเดี๋ยวให้เราบินมันไปก่อนเสียงมันดังกว่าเรามันดังมาเราก็เงียบไว้ก่อน <c oughs> ชาวพุทธเรามีหน้าที่ศึกษานะบทเรียนที่เราต้องเรียนเนยมีสามบทบทที่หนึ่งชื่อศีลสิกขาสิษขาก็คือศึกษานะั่นเอง เรียนยังไงจะเกิดศีล น, นะอันที่สองชื่อจิตตสิกขาเรียนเรื่องจิตเพื่อให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องสมาธิจะมีสองชนิดอันที่1สงบอยู่ในอารมณ์เดียวใช้พักผ่อนอันที่สองเป็นความตั้งมั่นของจิตจิตจะถอยตัวออกมาเป็นคนดูนะเห็นร่างกายทํางานจิตเป็นคนดูเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเห็นกิเลสเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูนะั จิตจะถอยตัวออกมาเป็นคนดูเป็นผู้สังเกตการเป็น observer เนมะื่อเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมทำงานไปอันนี้ต้องเรียนอย่างหนักเลยกว่าที่จิตจะได้สภาวะสมาธิที่ถูกต้องคือจิตตั้งมั่นยากที่สุดก็ตรงนี้แหละในการปฏิบัติธรรมพอจิตตั้งมั่นได้แล้วก็ถึงบทเรียนสุดท้ายนะชื่อว่าปัญญาศิกขาวิธีเจริญปัญญาการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจ การเจริญปัญญาไม่ใช่เรียนเพื่อให้ฉเฉลียวฉลาดเรื่องอื่นนะแต่เรียนเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจเนี่ยจนกระทั่งวันหนึ่งรู้แจ้งเลยกายนี้เป็นทุกข์รุนรุนใจนี้เป็นทุกข์รุนรนถ้าเห็นอย่างนี้ถ้ามันจะหมดความยึดถือในกายในใจถ้าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเราจะไม่ทุกข์เพราะกายเพราะใจอีกทุกวันนี้ที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ด้วยเรื่องด้วยกายเป็นทุกข์เรื่องด้วยใจทั้งสิ้นเลยนะเช่นร่างกายเจ็บป่วยร่างกายแก่นะร่างกายจะตายก็เป็นทุกข์ ความทุกข์เรื่องด้วยจิตใจเช่นพลัดพรากจากสิ่งที่รักเจอกับสิ่งที่ไม่รักความไม่สมปรารถนาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทางจิตใจความทุกข์มันเรื่องด้วยกายด้วยใจเท่านะั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยึดกายไม่ยึดใจได้นะถ้ามีปัญญาทแทงตลอดลงไปหมดความยึดถือในกายหมดความยึดถือในใจก็ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์จะตั้งอยู่ที่กายไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปยึดถือมันนะร่างกายเป็นทุกข์นะแต่ใจไม่เข้าไปหยิบมันขึ้นมา ความทุกข์คือมาตั้งอยู่ในจิตใจยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยนะเพราะว่าจิตใจที่สะอาดหมดจนนั้นไม่มีที่เหลือให้ความทุกข์อยู่ต่มีแต่ที่ให้ความสุขความสงบความสบายอยู่นะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกเังนั้นหน้าที่ของเรามีสมหน้าที่คนที่หมดภารกิจที่จะต้องศึกษานี่มีคนประเภทเดียวนะที่หมดหน้าที่ที่จะต้องศึกษาคือพระอรหันต์จำดที่เรายังไม่ใช่พระอรหันต์เรามีหน้าที่ศึกษา พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอน า, าคามีเป็นพระอริยบุคคลนะแต่ท่านถือว่าเป็นนักศึกษาอย่างพวกเรายังไม่ถือเป็นนักศึกษาจริงพระเสขะบุคคลผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่คือพระโสดาสกทาคาพระอนาคามีพระเสขะคนที่ไม่ต้องศึกษาคือพระอรหันต์เพราะฉนั้นพวกเราโสดายังไม่ได้เลยยิ่งต้องศึกษาให้หนักหน่อยนะถือชั้นเตรียมอนุบาลนะหรืออย่างเก่งก็ขึ้นไปมัธยมนะยังไม่ได้เป็นนักศึกษา ต้องค่อยๆ ย, ยกระดับจิตขึ้นไปนะเป็นมานึงเราต้องมาศึกษาให้ถ่องแท้วิธีการศึกษาเนี่ยสามบทเรียนนะหลวพ่อเทศเอาไว้เยอะเลยจำเป็นทั้งสิ้นศีลสิขานะ่าจะเรียนเพื่อจะรู้วิธีว่าทำยังไงจิตเราจะมีศีลโดยไม่ได้เจตนาจะมีมันมีขึ้นมาได้ไม่ต้องบังคับให้มีนะไม่ต้องฝืนใจให้มีไม่ต้องเครียดกับการถือศีลเลย การถือศีล น, นั้นจะถือได้ดีนะถ้าเรามีสติรักษาจิตการถือศีลถ้าอย่างไปขอพระเ อ, อก็ไปขอศีลพวกเราชอบขอศีลไหมที่นี่ขอแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งมามาขออีกแล้วขอแล้วขออีก <c oughs> ครูวาอาจารย์ท่านบอกเป็นศีลชูช่ชก สี่ที่ขอขอลูกเดียวเลยนะสิ่งนี้เป็นเจตนา ง, งดเว้นการทําชั่วทางกายทางวาจาเราเจตนา ง, งดเม้นเอาเองก็ได้นะไม่ต้องขอใครหรอกเราตั้งใจงดเว้นเอาเองมันดียังไงถ้าเรารู้คุณค่านะการรักษาศีลงจะทาได้เต็มเต็มใจเต็มใจที่จะรักษาศีลคนมีสีนน่งจะมีความสุขมีความสงบทางใจนะคนผิดสีนน่งไม่มีความสุขไม่มีความสงบทางใจอย่างคนคิดจะทําร้ายคนอื่นเนี่ยมันสงบไหมลนะ่ะ คนเมตตาคนอื่นอันไหนจะสงบกว่ากันคนที่จะขโมยเขากับคนที่เสียสละให้คนอื่นได้คนไหนจิตใจจะสงบสุขกว่ากันคนที่นอกใจสามีพัญญานะกับคนที่ซื่อสัตย์ในกู้ของตัเองคนไหนสงบสุขกว่ากันคนปลิ้นปั้นหลอกลวงกับคนพูดความจริงคนไหนสงบสุขกว่ากันคนติดยาเสพติดที่เล่าเมายากับคนที่มีสติสัมปชัญญะอยู่ใครจะสงบสุขกว่ากัน ดังเนี่ยเราถือไปเพื่อความสงบสุขนะไม่ใช่เพื่อลําบากเพื่อทรมานเล่นหรือเพื่อโอไวโอวดว่าเรามีศีมากกว่าคนอื่นนันถ้าเรารู้คุณค่าของศีว่เาเป็นไปเพื่อความสงบสุขทางใจเกิดสมาธิง่ายนะถ้าเรารู้คุณค่าของศีเนี่ยเรารู้วิธีรักษาศีลเราจะเต็มใจรักษาศีนะแล้วก็การรักษาศีจะไม่ยากรักษาศีไม่ใช่บังคับกายบังคับใจไม่ให้ผิดศีล แต่อาศัยมีสติรู้เท่าทันใจที่มันจะทําผิดศีลใจชนิดไหนที่มันจะทําผิดศีลใจที่มันโลภใจที่มันโกรธใจที่มันหลงนั่นแหละมันถึงจะทําผิดศีลได้ใจที่มันโลภอยากได้ของคนอื่นเขาเขาทาร้ายคนอื่นได้ใช่ไหมไปไปแย่งชิงสมบัติเขาทําร้ายเขาก็ได้ไปขโมยเขาก็ได้ไปผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาก็ได้เนี่ทําด้วยความโลภใจที่โกรธนะก็ทําผิดศีลได้ทุกข้อเลยนะ อย่างใจลอภนะผิดสินข้อห้าได้ไงในขณะที่ใจเราเพลิดเพลินหลงโลกนะกรดีกด็ด้าเจอพักพวกเพื่อนสูงชวนกันตั้งวงกินเหล้าก็ได้เวลามีความสุขคนไทยเราชอบกินเหล้าใช่ไหมเออก็ถือก็ดีกว่าให้เหล้ากินหรือก็คิดถึงอันเนาะเนีพอพอมีความโลภขึ้นมานะเพลิดเพลินในความสุขก็พ า, ากันกินเหล้าอีกเวลากลุ้มใจมีความสุขก็ ก, กินเหล้าอีกกินมันทุกเทศกาลเลย เวลาเพลิดเพลินมีความสุขไปเขามีหลักะเพขากินเหล้าเวลาเศร้าโศกเสียใจก็กินเหล้านี่โทสะ ม, มีโทสะขึ้นมาก็ทําร้ายคนอื่นไดนะ้ช่วงจริงทรัพย์สินเขาก็ได้แกล้งผิดลูกผิดเมียเขาก็ได้ด่าเขาก็ไดนะ้ชมมันให้มันเสียผู้เสียคนไปเลยก็ได้อย่างเราเกลียดใครสักคนนะแป้งยอกมันเรื่อยให้มันเสียคนไปไพูดมันผิดศีลได้หมดทุกข้อเลยเพรา ะ, ะเราผิดศีลเนี่ยนะเพราะว่า กิเลสครอบรวมจิตให้เราคอยสังเกตที่จิตของเราไว้ถ้าเมาื่อไรราคะเกิดขึ้นให้รู้ทันเมื่อไหรโทสะเกิดขึ้นให้รู้ทันเมื่อไร่ฟุ้งซ่านนะหดหู่อะไรเกิดขึ้นรู้ทันเมื่อไร่รังเลสงสัยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตเราคอยรู้ทัน บ, บ่อยๆโดยเฉพาะราคะโทสะความชอบความไม่ชอบเนี่ยเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไว้เรื่อยๆทันทีที่เรามีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตนะกิเลสจะไม่เกิดที่อื่น ไม่เกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายกิเลสเกิดอยู่ที่เดียวคือที่จิตของเราเนี่เองงนั้นให้มีสติรักษาจิตไว้มีสติรู้ทันเวลากิเลสเกิดนะรู้บ่อยๆรู้ไวๆรู้ช้านะไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้ว่าเมื่อวานโกรธอันนี้ช้าเกินไปนะไม่ทันหรอกทําผิดศีลไปแล้วนะหรือเมื่อวานมีความโลภขึ้นมานะวันนี้เพิ่งจะรู้ไม่ทันนะต้องต้องรู้ไวๆนะ ถ้าเราคอยรู้ทันนะกิเลสจะครอบงำใจเราไม่ได้เราจะไม่ต้องผิดศีลนะศีลอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นการอาศัยสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตเราจะได้ศีลอัตโนมัติขึ้นมาอาศัยสติอีกแหละะคอยมารู้ทันจิตถ้าจิตมันฟุ้งซ่านนะรู้ทันมันจิตมันจะสงบอัตโนมัติอี่ยพวกเราหลายคนอยากนั่งสมาธิพวกเราคนไหนนั่งสมาธิบ้างยกมือสิมีไหมชอบนั่งสมาธิ นั่สมาธิหัดแรกๆยากเนาะไม่ยอมสงบนั่งไปนั่งไปโอ้ยพอนั่งปุ๊บก็สงบไม่ทันจะนั่งก็สงบเลยแต่สงบแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้นะลืมเนื้อลืมตัวนั่นมิจฉาสมาธินะสมาธิส่วนใหญ่ที่ทํากันนะั้มันเป็นมิจฉาสมาธิครูบาอาจารย์บางองค์ท่านเลยแอนตี้สมาธินะไม่ชอบสมาธิทั้งๆ ท, ท, ที่สมาธิเป็นของดีคนทําผิดเองต่างหากนะไม่ใช่ว่าสมาธิมันไม่ดีทําไม่เป็นเองก็หาว่าสมาธิไม่ดีไม่ใช่ สมาธิเป็นเรื่องดีสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยเป็นสมาธิที่ฝึกแล้วจิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจะมีความสุขเอาไว้พักผ่อนสมาธิชนิดนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าอย่างที่พระพุทธเจ้าออกจากวังมานะเขาไปหัดนั่งสมาธิกับพวกฤาษีท่าชายสิทธัตถะออกมานั่งสมาธิกับฤาษีสงบแล้วท่านก็พบว่าไม่ใช่ถังผลทุกข์มันสงบเฉยๆ จิตถอนออกอยากสมาธิก็ร้ายเหมือนเดิมกิเลสกลับมาเหมือนเดิมสมาธิชนิดสงบเนี่ยฝึกไม่ยากหรอกถ้ารู้เคล็ดลับหลวงพ่อฝึกสมาธิยี่สิปีนะเพราะว่าขึ้นเจริญปัญญาไม่เป็นทำสมาธิอยู่ย2ปีเพราะฉะนั้นจับหลักมันได้เยอะแยะเลยในเรื่องของสมาธิถ้าเราต้องการให้จิตสงบเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าทาไมจิตไม่สงบ ที่จิตไม่สงบนะเพราะจิตเนี่ยมันเที่ยวแส่ใสาหาความสุขไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันบบอยากไปดูรูปหวังว่าจะมีความสุขอยากจะฟังเสียงหวังว่าจะมีความสุขอยากจะดมกลิ่นอยากจะลิ้มรสอยากจะรู้สัมผัสทางกายอยากคิดนึกลุงแต่งอะไรสนุกสนานหวังว่าจะมีความสุขจิตเนี่ยปรารถนาความสุขนะแต่มันไม่เต็มมันไม่ยิ่มอยากเราไปดูหนังนะ มีความสุขแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดความสุขแล้วก็ต้องไปหาความสุขอย่างอื่นอีกจิตเลยต้องวิ่งคล้านตลอดเวลานะวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูรูปวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิ่งพล้านคล้านไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัส ต, ตลอดเวลาจิตที่วิ่งพล้านไปวิ่งพล้านมานั่นแหละจิตไม่มีความสงบนะนะนี้ทําไงเราจะสงบง่ายมากเลยเราต้องหากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ที่ว่าเรามีสติไประลึกรู้ ก, กรรมฐานานั้นๆแล้วจิตใจมีความสุขคนไหนพุโทโธแล้วมีความสุขอยู่กับพุโทโธคนไหนรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขอยู่กับลมหายใจนะคนไหนดูท้องพองยุบแล้วมีความสุขก็ขดูท้องพองยุบไปหารมที่มีความสุขมาล่อจิตนะพอจิตมันได้รับความสุขแล้วมันจะได้ไม่วิ่งพลานไปหาความสุขที่อื่นอีกเหมือนอย่างเราจะหลอกเด็กสักคนนะเด็กลูกเราเนี้ยสนออกไปนอกบ้าน เราก็หาอะไรที่เด็กชอบนะมาล่อมันอยู่ในบ้านหาขนมมาให้มันกินหาเกมมาให้มันเล่นมันไม่ไปไหนมันก็อยู่ในที่นะจิตแค้เหมือนกันถ้าจิตไดอารมณ์ที่พอใจจิตก็จะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นเนี่ยเคล็ดลับมันมีเท่านี้เองนะเรื่องของการทําสมถะทําความสงบจิตนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยถนัดรู้ลมหายใจเราหายใจแล้วมีความสุขงั้นเวลาที่ต้องการพักผ่อนนะเันเขาก็หายใจเนี่ยหายใจปุ๊บหนึ่ง จิก็จะเข้าที่เลยนะสงบสบายมีความสุขถ้าเราให้จิตได้พักผ่อนบ้างนะจิตจะมีพลังนะจิตจะมีพลังขึ้นมาสามารถเป็นพลังให้เร า, เาไปเจริญปัญญาต่อได้แต่ลําพังจิตมีความสงบเนี่ยยังเจริญปัญญาไม่ได้เป็นแค่มีพลังเท่านั้นนะจะ ต, ต้องมาฝึกสมาธิอีกชนิดหนึ่งคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดปานเคยได้ยินไหมคำ ว, ว่าพุโทโธ พุทโธแต่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกจิตนั่นแหละเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของเราปกติจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้กลุ่มผู้แต่งนะฟุ้งซ่านวุ่นวายตลอดวิธีจะมาฝึกจิตให้กลายเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดมีวิธีที่ไม่ยากอะไรคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าจิตมันเคลื่อนไปเรารู้ทันนะส่วนใหญ่จิตจะเคลื่อนไปคิดพ้องเราคิดทั้งวันไหม คิดทั้งวันใช่ไหมเรารู้อะไรเวลาคิดรู้เรื่องราวที่คิดใช่ไหมออแทนที่จะรู้เรื่องราวที่คิดนะกลับใหม่กลับข้างสักนิดเดียวนะรู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่คิดเรื่องอะไรไม่สําคัญสําคัญที่รู้ว่าจิตกําลังคิดอยู่จําประโยคนี้ไว้นะประโยคนี้กว่าหลวงพ่อจะได้มานะอาวนากันแทบแย่เลยนะรู้เรื่องราวที่คิดมันไม่สําคัญหรอกแต่รู้ว่าจิตกําลังคิด สังเกตไหมว่าขณะที่พวกเราฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยบางขณะก็มองหน้าหลวงพ่อเมบางทีก็ตั้งใจฟังฟังสองสามคำสองสาประโยคสลับไปคิดแล้วจิตเดี๋ยวก็ดูจิตเดี๋ยวก็ฟังจิตเดี๋ยวก็คิดดูออกไหมว่าไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังไปคิดไปสังเกตดูนะว่าเราฟังไปคิดไปจริงหรือไม่จริงดูออกขึ้อยังว่าจิตฟังไปคิดไปจิตทําอย่างนี้มาตั้งแต่กเกิดแล้วนะ เราไม่เคยเห็นหรอกเราคิดว่าเราฟังอย่างเดียวในความเป็นจริงนละ้วไม่ได้ฟังอย่างเดียวเราฟังไปสลับไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดต่อไปนี้คอยรู้ทันไวๆนะในเวลาจิตไปคิดรู้ทันจิตไปคิดรู้ทันทันทีที่รู้ว่าจิตคิดเนะี่ยจิตคิดจะดับนะจะเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนเลยจิตที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเห็นไหมอาศัยสติไปรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนี่แหละเราจะได้จิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาสมาธิอย่างนี้สําคัญที่สุดเลยนะเป็นสมาธิของชาวพุทธเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่มีสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจเจริญปัญญาไม่ได้จริงอย่างอยู่ๆนะจะไปนั่งคิดพิจารณาร่างกายผมคนเล็บฟันหนังไม่ใช่ตัวเรานะจิตไม่ได้ตั้งมั่นถึงฐานจริงๆนั้นก็คิดฟู้สซ่านไปเท่านั้นเองไม่ได้ประโยชน์เลยหรอก แต่ความฟุ้งซ่านฟุ้งมากๆแล้วสบายใจนะอู้เ่านี้แตกฉานมีปัญญาเราพิจารณาร่างกายมาเยอะแยะพิจารณาโน่นนี่เยอะแยะเลยนะความจริงจิตฟุ้งซ่านในการพิจารณานะอย่างมากที่สุดที่จะได้นะคือความสงบเท่านั้นเป็นสมถะเท่านั้นเองมันไม่ขึ้นปัญญาจริงจะขึ้นปัญญาจริงได้จิตต้องตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูให้ได้นะในอะภิธรรมเนี่ยสอนบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิคือความตั้งมั่นของจิต เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาดังนั้นถ้าเราไม่สามารถฝึกจิตให้มีสมาธิที่ถูกต้องนะสมาธิที่จิตเป็นคนดูเราจะเดินปัญญาไม่ได้จริงสมาธิอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะถ้ารู้หลักแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยหลวงพ่อตอนเด็กๆนะหัดนั่งสมาธิแล้วก็ลมหายใจนะสั้นๆๆ้ น, ส, นสั้นกลายเป็นแสงลมหายใจเป็นแสงสว่างนะจิตเคลื่อนตามแสงออกไปเหมือนเราฉายไฟจะตไล่ไปนะ ใช้ไปถึงไหนจิตรู้ไปถึงนั้นเลยนะจะไปเทวดาไปดูอะไรดูอะไรนะจิตฉายแสงออกไปต่อมาฝึกอย่างนี้นะนานๆไปเริ่มเฉลียวใจขึ้นมาว่าถ้าออกไปแล้วไปเห็นผีนะกลัวนะเป็นคนกลัวผีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะไม่ให้จิตเคลื่อนตามแสงออกไปนะเพราะจิตก็นั่งดูไปจิตเป็นแสงขึ้นมาเป็นแสงสว่างขึ้นมานะถ้าจิตจะเคลื่อนก็รู้จิตจะเคลื่อนก็รู้เนี่ยใช้หลักอันนี้นะ พอจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ ป, ปั๊บเคลื่อนปุ๊บปั๊ บ, บจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวขึ้นมาเลยนะพอจิตตั้งมั่นเด่นโดวขึ้นมานะแต่ยังเดินปัญญาไม่เป็นนะเดินปัญญาไม่เป็นจนอายุ29ถึงไม่เจอหลวงปู่ดุลถึงได้เดินปัญญาเป็นเพราะสมาธิตัวมันเองไม่ได้ทําให้เกิดปัญญานะต้องเอามาถ้ามีจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วนะต้องมีสตินะรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเรื่อยไปถึงจะเกิดปัญญา มีสมาธิก็สงบ อ, อยู่เฉยๆนี่ก็ดีแต่ติดความสุขความสงบใช้ไม่ได้มีสมาธิแล้วก็รู้สึกตัวตั้งมั่นอยู่เฉยๆนะไม่เดินปัญญาไม่รู้ดูความเป็นจริงของกายของใจก็ใช้ไม่ได้นะงั้นว่าเราฝึกสมาธิมาเนี่ยเพื่อจะเป็นฐานที่จะเดินปัญญาต่อไปเท่านั้นเองหลวงพ่อนะฝึกตั้งแต่เป็นโยมนะจนกระทั่งจิตเนี่ยตั้งมั่นเด่นดวงเป็นคนดูได้นะแทบจะทั้งวันเลยนะเจอครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่อย่างหลวงปู่ศิม ทำผาปล่องหรือผู้ศิลป์เห็นหน้าหลวงพ่อถ้าไม่รู้จักชื่อท่าเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้ทำอย่างนี้ผู้รู้ไม่ทำอย่างนี้จะสั่งอย่างนี้เลยทำไมเรียกว่าผู้รู้เพราะจิตของเราเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปลุงผู้แต่งนะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอาศัยจิตชนิดนี้แหลมาเดินปัญญาการเดินปัญญานั้นทำได้หลายแบบแต่ว่าก่อนจะถึงเดินปัญญาสรุปให้พวกเราฟังนิดหนึ่งนะ คอยมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจตัวเองบ่อยๆศีลจะเกิดขึ้นคอยมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดบ่อยๆนะสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นอย่ามาคุยอวดเรื่องเดินปัญญาทําไม่ได้จริงหรอกพอนะจิตตั้งมั่นปับ๊บมันจะถอนตัวออกมานะจะรู้สึกว่าร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตโค้ดอันกันนะจะเห็นว่าความสุขความทุกข์ นะการร่างกายก็เป็นโคนล่านกันความสุขความทุกข์กจิตก็เป็นคนละอันกันมันจะรู้สึกขึ้นมาเลยถ้าจิตมันมีสมาธิที่ถูกต้องตัวเนี้ยตัวแตกหักเลยว่าเราจะเดินปัญญาเอามักผลนิพพานในชีวิตนี้ได้หรือไม่ถ้าจิตของเราถอยตัวออกมาเป็นผู้รู้ได้นะเวลาสติระลึกรู้ร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่สติระลึกรู้ความสุขความทุกข์ในกายความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยในใจ มันจะเห็นสุขทุกข์อะไรทั้งหลายนะไม่ใช่ตัวเรานะถ้าจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่นะสติไประลึกรู้กิเลสทั้งหลายโรคปวดหลงอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าโรคปวดหลงไม่ใช่ตัวเราอีกนะเป็นแค่สภาวะธรรมบางอย่างเป็นรูปธรรมอย่างในร่างกายเป็นรูปธรรมมีธาตุดินน้ําไฟลมบางอย่างเป็นนามธรรมนะความสุขความทุกข์เรียกว่าเวทนาความจําได้หมายรู้เรียกว่าสัญญานะความปรุงดีปรุงชั่วเรียกว่าสังขาร ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นแกาใจเรียกว่าวิญญาณทั้งหมดนี้จะเป็นแค่สภาวธรรมของรูปธรรมนามธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าไม่มีสมาธิจะเห็นไม่ได้เด็ดขาดเลยนะไม่มีสมาธิที่ถูกต้องจะเห็นไม่ได้ขันจะไม่แยกมันจะกลายเป็นว่าขันห้านะมันจะมารวมกันเป็นก้อนเดียวกันเนี้ยเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราทันทีถ้าเมื่อไร่ขันห้าแตกตัวออกเป็นส่วนๆ น, นะแล้วจะพบว่าตัวเราหายไปเหมือนอย่างรถยนต์หนึ่งคัน รถยนต์เรารู้สึกว่ารถยนต์มีจริงๆนะแต่เราถอดรถยนต์เป็นชิ้นๆลูกล้อเป็นรถยนต์ไหมลูกล้อจะไม่ใช่รถยนต์และเห็นไหมพวงมาลัยก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไมตัวถังเป็นรถยนต์ไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์ถังน้ำมันก็ไม่ใช่รถยนต์หลอดไฟสายไฟไม่ใช่รถยนต์รถยนต์หายไปแล้ว เวลาที่เราจะมาดูตัวเราเองจนเห็นว่าตัวเราไม่มีนะก็ใช้วิธีแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆที่ท่านเรียกว่าขันคำว่าขันภาษาไทยแปลว่าส่วนนะภาษาฝรั่งเรียก division ก็ได้นะเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆถ้าเราสามารถแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆได้เมื่อไหร่เป็นขันได้เมื่อไหร่นะตัวเราจะหายไปนะเมื่อตัวเราไม่มีนะที่รองรับความทุกข์จะไม่มี มันมีตัวเราขึ้นมาก่อนนะมันถึงมีที่ตั้งของความทุกข์ความทุกข์มันกลายเป็นเหล่าทุกข์ขึ้นมาตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งไม่ค่อยมีใครสอนกันนะอา่าพับที่สุดเลยวิชาเจริญปัญญาวิชาวิปัสสนากรรมฐานเอาก็จะนั่งสมาธิหรือบางที่ก็ไม่นั่งสมาธิเลยนะคิดพิจารณาเดินปัญญาอย่างเดียวฟุ้งซ่านนะเดินปัญญารวดไปเลยไม่มีสมาธิรองรับเนื่องว่าความฟุ้งซ่านหลวงตามหาบวัวตีเตียนเลยนะท่านสอนอย่างนั้นเลย จิตต้องมีสมาติตั้งมั่นก่อนแล้จิตตั้งมั่นได้แล้วจะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตมันคนละอันกันนะความสุขความทุกข์ก็แยกไปกุศลนกุศลรอบโปรดหลงก็แยกออกไปนะจิตเป็นคนดูอยู่ตาหาบเนะี่ยจะเห็นนั้นแยกส่วนออกไปหลวงตามหาบัวนะสอนหนยว่าถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นแยกธาตุแยกขันนะแยกรูปแยกนามเนีท่านใช้คำว่าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาคุยอวดเราว่าเดินปัญญานะ ท่านฟันธงขนาดนี้เลยเหมือนพวกเราถ้ายังไม่เคยได้ยินเลยว่าจะต้องแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆวนเนี่ยยังห่างไกลต่อมรกริพานนะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มรกนิพานในชีวิตนี้นะขั้นแรกถือศีลห้าไว้ก่อนศีลขาดก็ขาดบ้างแหละเป็นฆราวาสถือศีลยากนะถือศีลศีลขาดแต่ก็ตั้งใจรักษาเอาใหม่คอยมีสติรักษาจิตไว้งานที่สองก็คือฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัว ถ้าจิตใจอยู่กับตัวเองจิตนี้ไปแล้วรู้จิตนี้ไปรู้จิตใจก็กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวมีร่างกายก็รู้สึกถึงร่างกายมีจิตใจก็รู้สึกถึงจิตใจมันถึงจะเดินปัญญาคือเห็นได้ว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราจิตก็ไม่ใช่เรานะแต่ถ้าจิตเราล่องลอยไปหลงไปในโลกของความคิดหลงไปเพ่งกันโน้นเพ่งอันนี้จะไม่เกิดปัญญานะตัวนี้เรื่องใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าไหนๆมาเจอหลวงพ่อทั้งทีนะ อย่างน้อยฝึกให้ได้จิต ท, ที่เป็นคนดูนะเราก็จะเคยอยูใกล้มากผลนิพพานเข้าไปเยอะเลยแต่ถ้าเราไม่มีจิต ท, ที่เป็นคนดูเรามีแต่จิต ท, ที่เป็นคนคิดอย่างเดียวนะอีกไกลนะราภาษิอานไป่ถอนะอาจจะเจอภาษิอ่านแล้วก็ยังทำไม่เป็นเพราะไม่เคยฝึกเพราะงะั้นฝึกตั้งแต่วันนีนะ้วิธีฝึกก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งคนไหนถนัดฟุโธเขาฟุโธไปแล้วคอยรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไป พุทโธพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเลารู้พุทโธพุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความว่างๆอยู่ก็รู้หรือไม่ชอบพุทโธก็หายใจไปหายใจออกหายใจเข้าไปนะจิตนี้ไปคิดก็รู้หรือจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้จิตไปเพ่งลมก็จิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมนะจิตเคลื่อนทั้งนั้นเลยเวลาคิดจิตก็เคลื่อนไปคิดเวลาไปเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตก็เคลื่อนไปเพ่งสิ่งนั้นทดลองลองดูพระพุทธรูป ดูซิว่าเป็นพระพุทธรูปแบบไหนตั้งใจดูมีสีอะไรมองกุดเป็นแบบไหนสังเกตไหมว่าขณะที่เราสนใจพระพุทธรูปเนี่ยจิตเรามาอยู่ที่พระพุทธรูปเรามีร่างกายเราลืมร่างกายของตัวเองรู้สึกไหมขณะที่จ้องพระเนี่ยมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจนะจิตจะสุขจิตจะทุกข์จิตจะดีจิตจะได้ไม่รู้เรื่องเลยเห็นแต่พระพุทธรูปนะ การที่จิตของเราไหลออกข้างนอกไปเนี่ยแล้วเราลืมกายเราลืมใจตัวเองเรียกว่าขาดสตินะขาดสติทําเมไรรู้สึกกายรู้สึกใจมีร่างกายก็รู้สึกกายมีจิตใจก็รู้สึกจิตใจจิตใจเป็นสุขก็รู้สึกจิตใจเป็นทุกข์ก็รู้สึกจิตดีจิตร้ายก็รู้สึกนี่ว่ามีสตินะแล้วก็จิตใจจะอยู่กัเนื้อกับตัวมีสมาธิชนิดตั้งมั่น ดังนันต้องพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาไทยง่ายๆเลยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนี่แหละคือตัวสมาธิสําคัญพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะหัดแยกธาตุแยกขันออกไปให้เห็นว่าร่างกายที่นั่งอยู่นี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากิเลสที่เกิดขึ้นในใจเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆฝึกนะจิตจะถอยออกมาเป็นคนดู ต่อไปในทุกปรากฏการของรูปธรรมนามธรรมเนี่ยจะมีตัวร่วมกันในทุกๆปรากฏการก็คือมีจิตที่เป็นคนดูในทุกๆปรากฏการนะก็จะเห็นว่าปรากฏการทั้งหลายนะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตลอดเวลาจิตเป็นคนดูนะแต่ตรงจิตเป็นคนดูนะมีหลักสําคัญอันหนึ่งห้ามรักษาไว้นะให้มันเป็นผู้รู้ขึ้นมาเป็นเฉาคราวถ้าจงใจรักษาไว้นั่นจะแข็งเกินไปจนแน่นแน่นนะ จะไม่ใช่ผู้รู้ตัวจริงถ้าผู้รู้มันจะต้องเป็นผู้ตื่นด้วยเป็นผู้เบิกบานด้วยถ้าจงใจจะรู้สึกตัวอยู่เรื่อยใจเย็กกระด้างแข็งนะเดินปัญญาไม่ได้จริงพอไหวไหมไหนหลวงพ่อมาอเมริกาทั้งทีนะเมื่อวานวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาเทศที่ชิคา โ, โกนะเป็นเทศแบบง่ายๆวันนี้เทศยากกว่าเมื่อวานนะเทศง่ายทุกวันไม่มีประโยชน์ วันะ เ, รเรียนหลักให้แม่นนะแล้วจะได้ทําได้ถือศีลห้าไว้ศีลขาดแล้วตั้งใจรักษาเอาใหม่นะแล้วก็คอยรู้ทันกิเลสโลภขึ้นมารู้ทันโกรธขึ้นมารู้ทันนะรู้ได้่อยๆแล้วศีลเราจะดีขึ้นนะแล้วก็ถ้าต้องการพักผ่อนนะพอน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขพุโทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุโทโธหายใจมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจก็จะได้ความสงบ ถ้าต้องการฝึกคิดให้ตั้งมั่นเป็นคนรู้ผู้รู้ผู้ดูนะก็ใช้วิธีที่ว่าทำกับฐานสักอย่างหนึ่งก็ได้พุโทโธก็ได้หายใจก็ได้แต่ไม่ได้น้อมจิตให้ไปอยู่ที่อารมณ์นั้นนะอาศัยพุโทโธพุโทโธไปเนี้ยจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งความว่างรู้ทัน อาใัยรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจก็รู้ทันดูท้องคองยุบก็ได้นะจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนจะได้จิตที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นนะถ้าน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องจะได้สมาธิชนิดพักผ่อนนะเนี่ยต้องรู้นะว่าแต่ละอย่างต้องทาอะไรงานที่เราต้องทำนะพัฒนาศีล ในการมีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่เกิดที่ใจงานที่สองนะถ้าต้องการพักผ่อนเนี่ยน้อมใจไปอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนะพุโทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุโทโธไปนะไม่ไดับบังคับให้สงบนะถ้าบังคับมันจะไม่สงบถ้าไม่บังคับมันสงบเองถ้ามันสบายใจสบายใจมันก็จะสงบนะงานที่สามของเราก็คือฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นจิตไหลเรารู้จิตไหลเรารู้ จะไหลเรารู้ได้เร็วก็ต้องทํากรรมฐานอย่างหนึ่งเหมือนกันแหละแต่ไม่ได้ทํากรรมฐานแล้วเอาจิตไปจับอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเพื่อพักผ่อนทํากรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตนะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะทำกรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วคอยรู้ทันจิตน ะ, นะเช่นพุโทโธพุโทโธจิตไหลไปคิดเรารู้พุโทโธจิตไปเพ่งความว่างๆก็รู้ หายใจออกหาใจเข้าจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้นะเดินจงกรมจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งเท้าอยู่ก็รู้เนะี่ยถ้ารู้ท่านจิตที่เคลื่อนนีจะได้สมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อได้สมาธิที่ตั้งมั่นก็มาถึงงานที่สนะี่คือการเจริญปัญญาแล้วนะวิธีเจริญปัญญาเนี่ยค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆนนะนั่งก่อนนั่งสมธิไปนั่งตัวอะไรบ้าง เสียงวัตถุเดือดจริงใครจิตออกนอกไปหาไอ้ น, นี่บ้างยกมือสิรู้สึกไหมจิตอเออมันจะไล่เลยในชะ่ไหมไล่ตามมันชกสังเกตไหมจิตเราชกได้ถ้าคอยเห็นจิตมันชกได้เนะี่เริ่มดูเป็นแล้วจิตเราไม่เคยอยู่นิ่งหรอกจิตทํางานตลอดเวลาอย่าตอนเนี้ยจิตส่วนใหญ่หนีไปคิดแล้วทราบไหมจิตไหลไปคิดแล้วนะก็รู้ทัน ตรงันนึกไม่ถึงนะที่ที่คนภาวนาดีๆมีหลายคนนะใช้ได้ดนะีค่อยๆฝึกไปใจมีเป็นผู้รู้ขึ้นมาเห็นไหมร่างกายมันไปยักหน้าใจเราเป็นแค่คนดูไม่มีตัวเราตรงไหนเลยนะั่นแอบฝึกอย่างนั้นเรืนะ่องแยกธาตุแยกขันนะเป็นเรื่องใหญ่นะต้องหัดให้เป็นวิธีจะฝึกแยกธาตุแยกขันนะทํากรรมฐานนั่งก็ได้นั่งไปหายใจไปเนี้ย แล้วค่อยๆสังเกตเห็นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูเห็นร่างกายมันเดินใจเราเป็นคนดูนะสึกอย่างนี้ได้่อยนะพอนั่งไปนานๆมันปวดมันเมื่อยขึ้นมาก็นะดูไปอีกก็จะเห็นว่าร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งนะความปวดความเมื่อยก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นะคนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งนค่อยๆหัดแยกไปพอร่างกายมันปวดมากๆนะจิตใจก็สับกสายแล้วกงวลใจหัวนั่งตั้งนานแล้ว จะเป็นอ ม, มาพาตหรือเปล่าไม่รู้ไหนนะที่เป็นนั่งเล่นไพ่ทั้งคืนนั่นไม่เป็นอ ม, มาพารนะนั่งกรรมฐานชั่วโมงหนึ่งโอ้ชาจะอ ม, มาพารกินละนะหรือเดินช้อปปิ้งนะทั้งห้าชั่วโมงเดินได้สามชั่วโมงเดินได้นะเดินโจรกลมครึ่งชั่วโมงโอ้นี่สงสัยจะอัดตากิลมฐานโยกเคร่งเครียดเกินไปอเอาแต่ตามใจกิเลสมาได้กินนะเนี่ยค่อยๆดูไปพ้าใจมันกังวล น, นะก็เห็น ความกังวลเนี่ยไม่ใช่ร่างกายความกังวลไม่ใช่ความปวดความเมื่อยความปวดความเมื่อยอยู่ที่ขานความกังวลอยู่ที่ใจคนละอันกันความกังวลก็ไม่ใช่จิตอีกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยค่อยๆหัดนะอย่างเนี้ยต่อไปเราจะแยกขันได้ร่างกายก็เป็นรูปปัจขันะความปวดความเมื่อยเรี่ยเปทนาขันความกังวลใจเนี่ยเรียกว่าสังขารขันจิตที่เป็นคนดูเนี่ยอยู่ในบิญาณขัน แยกได้แล้วตัวเราจะหายไปมันจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราเดินะร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินนะร่างกายมันนั่งไม่ใช่เรานั่งต่อไปเวลาเจ็บป่วยร่างกายมันป่วยไม่ใช่เราป่วยร่างกายมันจะตายร่างกายมันจะแก่ไม่ใช่เราแก่นะเป็นเรื่องของร่างกายเนี่ยใจมันจะถอนความมีตัวมีตนออกไปเร่างกายก็ส่วนร่างกายไปขฝึกไปนะ เลอความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นเลวความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่แปรปลอมมาชั่วคราวจิตเป็นคนไปรู้อยู่ชั่วคราวแล้วความสุขความทุกข์ก็หายไปเนี่ยทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปมีแต่ของไม่เที่ยงถ้าเมไร่จิตเรามีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเดี๋ยวให้มันไปก่อนเพราะเรามาอยู่ใกล้สนามบินเองเนาะมันก็มาบ่อยทําเมไร่นะใจเราเห็นความจริงเราดูความจริงเรื่อยๆไป ความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปอะไรดูเนี้ยต่อไปปัญญามันเกิดมันรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี้ยชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวพอความสุขเกิดขึ้นนะต่อไปเนะี้ยใจจะไม่หลงระเริงแล้วนเะพรรู้ว่ามันชั่วคราวพอความทุกข์เกิดขึ้นใจจะไม่เศร้าโศกเสียใจรู้ว่าชั่วคราวเนี่ยใจมันจะถอยตัวออกมาเข้าสู่ความเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นเนืยปัญญานะ ปัญญานี้เกิดจากการเห็นความจริงซ้ําแล้วซ้ํำอีกไม่ใช่เกิดจากการคิดพิจารณานะการคิดพิจารณานะั้นเป็นแค่อุบายเบื้องต้นไม่ให้จิตติดสงบเท่านั้นเองนะต้องค่อยๆฝึกให้แยกให้เป็นนะดังั้นวิปัสสนากรรมฐานนี่วิปัสสนาเพราะว่าเห็นไม่ใช่คิดนะคิดถือวิตกคนละตัวกันแต่ว่าบางคนเนี่ยพอรู้ตัวแล้วเฉยรู้ตัวแล้วอยู่เฉยอ่เงี้ยครูบาอาจารย์จะสอนให้คิดก่อนให้คิดพิจารณาเป็นการกระตุ้นให้จิตทํางานนะ แต่ถ้าเราเห็นกายก็ทํางานความสุขความทุกข์ก็ทํางานนะกิเลสก็ทํางานจิตก็ทํางานแนละ้วอย่าไปคิดเอาดูของจริงนะดูซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ไปถึงวันหนึ่งเห็นเลยกายมันแก่ไม่ใช่เราแก่กายมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บกายมันตายไม่ใช่เราตายนะจิตใจเรามีความสุขนะความสุขก็อยู่ชั่วคราวก็าหายไปไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายอะไรกับมันความทุกข์ขึ้นมาใจก็เป็นกลางเพราะรู้ว่ามันอยู่ชั่วคราวนะ ไม่ยินดีไม่วินร้ายกับมันใจเข้าสู่ความเป็นกลางหมดความดิน้นรนหมดความปรุงแต่งนะมีความสุขมากเลยคเข้าสึกนะวันนี้หลวงพ่อเทศแบบเรียกว่าเทย่ามให้นะะถ้าสำนวนชาวบ้านเรียกว่าเทกระเป๋านะหลวงพ่อไม่มีกระเป๋ามีแต่ย่ามเทให้แล้วนะแล้วก็ให้กันบ้านเนไเป็นครูที่เข้มงวดนะให้กันบ้านคือไปฟังซีดีบ่อยๆนะ ถ้ามีซีดีก็ฟังไปนะซีดีเทศหลวงพ่อนะไม่ใช่ซีดีเพลงนะบอกให้ไปฟังซีดีือฟังเพลินไปไปฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศไว้ฟังบ่อยๆนะถ้าไม่มีซีดีก็ไปดาวน์โหลดเอานะตามเว็บไซต์ต่างๆนี่เยอะแยะบคนเขาเอาไปทำเยอะแยะไปหมดนะฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ดูของจริงไปเรื่อยๆแล้วเวลาสงสัยภาวนาแล้วเกิดความสงสัยนะมีเคล็ดลับนะ เวลาเกิดภาวนาแล้วสงสัย no ไม่เจอหลวงพ่อเจอยากเนี่ยนะอยู่เันคนละประเทศเจอยากทำไงดีไม่ยากอะไรสงสัยเรื่องอะไรนะก็ไปเปิดซีดีมีทุกเรื่องแหละให้กันบ้านแล้วนะถ้าใครทำได้นะปีหนึ่งอย่างมากชีวิตเราก็เปลี่ยนบางคนนะสองอาทิตย์เคยมีมาแล้วนะสองอาทิตย์ชีวิตก็เปลี่ยน เปลี่ยนจากให้คนที่มืดบอดโง่งงมงายมาตั้งแต่เกิดเลยนะไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็ไม่รู้กลายเป็นคนซึ่งมีเป้าหมายในชีวิตเรารู้เลยว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อยกระดับจิตวิญญาณของเราไปสู่ความพ้นทุกข์เรื่องอะไรเราจะต้องจมความทุกข์ตลอดชาติชาติแล้วชาติเล่าด้วยซ้ำไปเรื่องอะไรเราต้องทุกข์ตลอดกาลหน้าที่เราต้องยกจิตวิญญาณของเราให้พ้นจากความทุกข์ให้ได้ วิธีการพระพุทธเจ้าสอนแล้วนะเรื่องศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานี้แล้วศึกษาไปเรื่อยจนสร้างปัญญาแก่รอบนะจิตจะหมดความยึดถือในกายในใจนี้จะยึดทําไมร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุไม่ใช่คนจนะยึดทําไมกับจิตใจซึ่งเป็นของไม่เที่ยงของแปลกปลนเป็นของบังคับไม่ได้เนื่อมันหมดความยึดถือในกายในใจพอเราไม่ไปหยิบฉวยกายขึ้นมาความทุกข์มันอยู่ที่กายนะ เราไม่ไหยิบฉวยขึ้นมาขเขาก็ไม่ทุกข์กายร่างกายเป็นทุกข์แต่เราไม่ทุกข์ด้วยนะความทุกข์เกิดขึ้นในโลกของความคิดเราไม่ไปยึดถือฉีตใจก็ไม่ไปหยิบเวยเอาความทุกข์ขึ้นมาเผาฝาลานตัวเองนะฝึกนะและชีวิตเราจะดีขึ้นเรื่องอะไรจะต้องจมความทุกข์ตลอดชีวิตนะเรื่องอะไรต้องทุกข์ไปเรื่อยๆเราสามารถ ถ, ถอดถอนตัวเองออกจากความทุกข์ได้โดยไม่ต้องพึ่งใครเลยนะ พึ่งตัวเองนี่แหละอาศัยฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านะแล้วลงมือปฏิบัตินะแล้วเราก็พ้นทุกข์ของเราเองนะเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนอยากหลวงพุทธเทศนะครูบาอาจารย์หลวงพ่อมีเยอะองค์หนึ่งที่ไปเรียนด้วยก็หลวงพุทธเทศหลวงพ่อทูนก็เคยไปหาเคไปเรียนด้วยหลวงพ่อทูนถ้าจะเน้นเดินปัญญา ให้คงลำคาญพวกติดสมาธิติดนั่งที่ไรก็นั่งเพ่งลุกเดี๋ยวป่วยการท่านสอนให้คิดมันไปเลยให้คิดพิจารณานั้นเป็นอุบายให้จิตทํางานนะเราทิ้งไม่ได้หรอกศีลสมาธิปัญญาต้องมีให้กลบนะไปหาหลวงพุทศเจครับท่านอยู่ดีแม่น้ำโขงเรือวิ่งไหนแม่น้ําโขงเสียงดังอย่างเนี้เวลาท่านเทศท่านสอนสม ร, รมฐานอยู่พอเรือมาท่านบอโอ้เรือลาวมา ท่านบอกว่าเหลือเล่านะเพราเขาเลาจริงคนคนไทยไม่วิ่งในแม่น้าโขงบอกเดี๋ยวให้เข้าไปก่อนดูท่านไม่ได้เดือดร้อนนะอย่างนี้เรานั่งฟังเทศอยู่เรือบินมาไม่เดือดร้อนหรอกเดี๋ยวมันก็ไปใช่ไหมมันคงไม่หล่นลงมาตรงนี้หรอก <laughs> เดี๋ยวมันก็คงไปนะ <laughs> งั้ไม่เดือดร้อนอะไรหรอกเอาใครจะส่งกันบ้าน ย่อมขอถามเรื่องสภาวธรรมที่เกิดที่ว่าเวลาที่เราอินเข้าไปในเรื่องบางเรื่องและทาให้ตอนนั้นคือคือสติอ่อนใช่ไหมเจ้าค่ะขาดสติเลยยินให้รู้ทันว่ามันอินแคไหเดี๋ยวมันหลุดออกมาละเวลาดูหนังก็อินใช่ไหมใช่ค่ะออพวกเราสังเกตไหมเวลาเราดูหนังดูละครนะผู้หญิงก็จะอินเป็นนางเอกทั้งที่ตัวเองเป็นนางอิจฉา <laughs> <laughs> ผู้ชายก็เป็นพระเอกทั้งที่หน้าตาดูไม่ได้เลยเจ้อินอ่ะและอีกอารมณ์หนึ่งที่ว่าเราไปแช่่ะเจ้าค่ะออแช่ไม่เอานะอย่าให้มันนิ่งให้จิตถอยออกมาเห็นไหมจิตมันตกใจใช um, uh. anyways, mm ่เ hmm.. ห uh. ja kind of <laughs> <laughs> so ็นไหมพอจิตตกใจสังเกตไหมมันเตรียมต่อสู้เตรียมวิ่งอ่ะมันรวบเข้ามารู้อย่างที่มันเป็นเห็นไหมว่ามันรวบเข้ามาได้เองอแล้วยอมมีอะไรที่จะต้อง ออย่าให้ติดนิ่งนะเจ้าค่ะอย่างขนณะนี้ติดนิ่งติดเฉยไหมอ่าใชเจ้าค่ะใจทือๆบางช่วงมันติดเหมือนกับว่ามันคือมันตั้งแช่เอออย่นั้นไม่เอาทำผิดทำผิดแล้วทํามทำถ้าอย่างนั้นคือเราจะต้องรีบถอยออกมาใช่ไหมถอยเลยลืมเรื่องปฏิบัติไปเลยแล้วกระดุกกระดิกแล้วรู้สึกตัวใหม่เจ้าค่ะแล้วใช้วิธีขยับตัวหรือสราจังหวะได้ไหมเจ้าค่ะถ้าย่งนัสร้างสิสร้างกับเพียงอีกแหละ ใช่ไหม<ะ>สร้างเราเพ่งงั้นก็ใช้วิธีขยับไปกวาดบ้านไปทำงานนะบางคนนะพอเริ่มลงมือปฏิบัติก็เพ่งเงาเพ่งเงานะหลวงพ่อใช้ไปทำงานบ้านกวาดบ้านไปรู้สึกตัวไปรู้สึกไปกวาดไปโมโหไปว่าคนอื่นทำาสโกโปรกฉันกวาดอยู่คนเดียวอย่างนี้อย่นี้นก็ดูใจของตัวเองออกบ้านไหนเป็นรู้สึกไหม <c oughs> ถ้าคนไหนทำเป็นคนทำความสะอาดนะัฉันทำอยู่คนเดียวคนทําสกรปรกเยอะ เท่านี้ใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์ทำเท่านี้ให้ได้นะเ<ช>ท่านี้ก็ทํายากต้องค่อยฝึกนะอย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยติดแช่ไม่เอา ใ, นะให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติให้จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติแล้วเราค่อยรู้ความเปลี่ยนแปลงนัน้นไปนะไม่ใช่ไปบังคับมันการปฏิบัติที่ผิดมีสองอย่างนะคือความสุดโต่สองด้าน ด้านหนึ่งไหลาตามกิเลสเลื่อเพลินลืมเนื้อลืมตัวลืมกายลืมใจอีกด้านหนึ่งก็ตึงเครียดเกินไปบังคับกายบังคับใจของคนตึงไปเนอาตากิรมัฏฐานโยกมันจะิดจากโลภอยากดีก็อยากดีก็เลยไปบังคับเรารักดีหามจั่วจัวหนักนะไปทําตอบไปทำรัติการธรจันทร์อา่า ผมทํามาก็นานเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าไปเอะอยู่ข้างในครับ<ช>เอเฉยแต่งเหมือนแต่งตัวแล้วจะไปไหนก็ไปได้อเฉยอยู่งั้นเลยเอยจะให้เฉยก็ออกมาดูกายนะถ้าจิตมันติดนิ่งติดเฉยนะมันดูร่างกายเลยร่างกายผมบนเล็บฟันหนังแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่เที่ยงนะดูไปเรื่อย้จิตมันทํางานไม่ให้ติดนิ่งติดเฉย คิดพิจารณาเข้าไปเลยเนี่ยอุบายที่ครูบาอาจารย์สอนให้คิดพิจารณาเนี่ยเพื่อแก้สิ่งนี้แหลนะเพื่อแก้ติดสมาธิเฉยๆแต่ผมเริ่มมาเปลี่ยนใหม่ได้ ส, สองสามอาทิตย์นี่แหละแต่ก่อนใช้พุโทโธพุโทโธมาเปลี่ยนเป็นเวลาเดินกรรมฐานก็ใช้นามาพะทะ เ, เวลาก้าวไปมันถู ก, ถกจังหวะถู ก, กจิตใจกันถู ก, กจิตใจของเราเว่า เราก้าวเดินไปมันมันไม่ติดเหมือนพุทโธเออแล้วแต่ถนัดนะบางคนท่านก็ว่าพุทโธดีบางคนก็ว่าไม่ดีแต่และคนไม่เหมือนกันทางคใครทางมันหลวงตามมหาบัวเอาแต่พุทโธนะไม่เอาอย่างอื่นเลยใช้พุทโธมานานแล้วปฏ่บัามาเปลี่ยนใหม่หรอยอ้นั่นพุทโธจนชินนะครับพุทโธจนชินชินพุทโธแล้วซึมไปเลยะหาอะไรเปลี่ยนบ้างก็ดีเหมือนกันเลยพอพอพอทำมาแล้วมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยล่ะ หลังจากเหนื่อยแล้วมาทานน้าเย็นๆใช่ไหมทา น, น้ําเย็นทานได้ครึ่งแก้วแล้วครับ <tit reflections> แล้วมองดูแก้วตอนที่น้ํายังมีครึ่งอยู่นะแปลว่าเหมือนเหมือนน้ำมองดูแล้วเหมอือนน้ามันหยด <c oughs> ลงไปใส่น้ํานะแต่น้ำข้างบนไม่มีนะแต่น้ํามันหยดจากข้างบนลงไปใส่น้ําจะเหมือนเหมือนน้ําตกเราใส่ใบบัวแล้ว่ะแล้วก็แตกขยายออกแตกขยายออกสี่ห้าหยาดแล้วมันก็หมดไปเลยแปลว่ากิก็แตกไม่เอาหรอกนะอันนั้นดูออกนอก ให้มาดูกายดูใจของเรานะเนีย่ยไปดูน้ํานะครับดูที่กายที่ใจเรากิเลสเราไม่ได้อยู่ที่น้ําหรอกดีก็มีแค่นั้นแนละ้วที่จะทำเขาได้แค่นี้ก็ดีอยู่นะอย่างน้อยได้สมาธิจิตใจมีความสุขนะแต่ว่าเมื่อจิตใจมีความสุขแล้วถ้าเราต้องการพัฒนาจิตวิญญาณมากกว่านี้เราดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายไปเลครื่นะ สวัสดีนน้ำมศการนะคะหลวงพออ่อขอบคุณนะคะตอนหนูอยากกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ทําให้ชีวิตหนูเปลี่ยนนะคะก่อนหน้านี้ก็คือหลอ้มไปนู่นมานี่ไม่รู้ <M. U. S 1> เอยเลยนะคะพอตอนนี้เสร็จปุ๊บก็พอได้มาฟังซีดีได้มานั่งเริ่มนั่งสมาธิถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้นั่งเยอะมากแต่ก็รู้สึกว่ามันสงบขึ้นเยอะนะคะการปฏิบัติเนี่ยนะถ้าเราทําถูกเนะี่ยแม้แต่นิดเดียวนะก็ได้บุญเยอะน ะ, นะคะ สร้างวัดทางวัดเนะี่ยบอกสู้นั่งสมาธิจิตเข้าฐานเพื่อจีนเองสิคะค่ะแล้วมีคําถามค่ะหลวงพ่อคือเวลาหนูนั่งสมาธิใช่ไหมคะเราเหมือนกับว่าบางทีเราไปรู้อารมณ์ ร, รักโลภโกรธหลงอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแต่คือบางทีเราไม่แน่ใจว่าอารมณ์อันนั้นคืออะไรไม่จําเป็นไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรค่ะนะชื่อไม่สําคัญหรอกชื่อเป็นสมมุติบัญญัติเห็นแค่ว่ามีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้นหลวง พ, พ่อพุทธสอนเรื่องนี้เรื่อยนะ ท่านแค่พูดเลยว่าเวลาบรรลุฟาโซดาเนี่ย<ม>เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมนตาซัมติงอ่ะไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเป็นธรรมนาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมนาเห็น <id> แค่นั้นพอละถ้ายังพูดได้อยู่แปลได้อยู่ชีิตยังปรุงอยู่อ๋อค่ะแล้วอย่างเวลายอย่างสมมุติหนูใช้ลมหายใจแบบเข้าออกเข้าออกแล้วไปรู้ลมหายใจอะคะ่ะหลวงพ่อและอย่างบางทีอย่างตอนนี้หนูเป็นหวัด บางทีเงี้ยหายใจไม่สะดวกเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อคือมีเหมือนกับว่าเคล็ดลับอะไรไหมคะที่จะทำให้รู้สึกว่าตรงนี้หลวพ่อเคยไปเยี่ยมพระองค์หนึ่งนะไม่ได้ติดเชิงไปเยี่ยมอะไปเยี่ยมเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะแล้วก็ผ่านไปที่ห้องห้องห้องรวมนะมีเท่าหนึ่งนอนตาใสแจ้วอยู่เลยใส่ท่อไว้ที่จมูกแนละ้วถามท่านว่าท่านภาวนาแบบไหนใช้ลมหายใจหรอือท่าน อ, อุย้ยไม่ได้ใช้ลมหายใจ ถ้าใช้ลมหายใจตอนนี้เราภาวนาไม่ได้เราใช้แต่พุทโธอย่างนี้พุดโธแล้วถูกอุดจมูกก็ยังพุทโธได้เราอย่างเวลาอย่างเงี้ยค่ะหนูนั่งสมาธิแล้วบางทีสมมุติมีเสียงรถขยะมาเสียงคนตะโกนอยู่ตรงข้างๆบ้านอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อคือจิตหนูมันออกไปฟังดีแล้วเราเหมือนกับว่าแล้วเราเวลาเราดึงกลับมาค่ะคือดึงกลับมาที่ลมหายใจหรือว่าอย่าดึงถ้าดึงอย่าแน่นให้รู้ว่ามันไปมันจะเข้ามาเอง ถ้ามันเข้ามาเองนะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าไปดึงมันจะแน่นเของหนูจิตยัง่ยไม่เข้าบ้านคดูออกไหมดูออกค่ะกระจายกระจายไปนะห้ามมันไม่ได้หรอกอย่างน้อยรู้สึกร่างกายไว้เราเป็นคนรักสวยรักงามมากะดูไกลเยอะๆหน่อยหนูรู้สึกว่าดูกลอย่างนี้นั่นแหละถนัดดูไกลแต่ว่าบางทีบางทีดูใจเสร็จดูกายต่อแล้วมันก็สลับสลับได้ถ้าจิตมันมีกําลังนะ ดีก็รู้กายมันดีก็รู้ใจเราไม่เลือกหรอกไอ้คำว่าสายกายสายจิตนั่นนะเนคำพูดของพวกภาวนาไม่เป็น<ะ>ถ้าภาวนาเป็นนะบางทีสติก็รู้กายบางทีสติก็รู้จิตใครจะไปสั่งมันได้คืออย่างบางทีของหนูมันดูแบบ คือบางทีก็ดูขืหนูเป็นคนคิดมากมากๆค่ะจ๊ะคิดมากด้วยขี้โมโหด้วยอ่าใช่ต้ไงอีกแล้วค่แล้วคราวนี้บางทีก็ดูหนูก็เลยสับสนว่าเอ๊ะจะต้องดูกายหรือดูจิตเพราะมันหนูหงุดหงิดแล้วชักหงุดหงิดล้วใชเลยค่ะมื่อไงรู้ทันว่าใจมันหงุดหงิดแล้วเนอะจะเอาไงดีวะไม่ต้อาอะไรหรอกสติเรารู้อะไรก็รู้ว่านั้นเรารู้อะไรรู้ไหมเรารู้ใจรัก เราไม่ได้เอากายเอาใจอะไรหรอกใจรักในกายก็แสดงใจรักในใจก็แสดงใจรักที่ต้องการดูดูใจรักนะไม่ได้ดูกายดูใจถ้ายังดูกายดูใจอยู่ไม่ใช่วิปัสสนานะถ้าเห็นใจรักถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะะฉนั้นถามว่าจะดูกายหรือดูใจดีถามว่าเห็นใจรักที่ไหนดีก็เอาที่นั่นแหละแต่ละวันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะคือหลวงปู่สุวั์ ท่าเล่าว่าตอนท่านไปหาหลวงปูมั่นหลวงูมั่นสอนบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะดูจิตเพื่อให้รู้แจ้งเ่าสอนละเอียดนะเพราะฉะนั้นดูจิตได้ดูจิตไปดูจิตไม่ได้ดูกายดูอะไรไม่ได้เลยพูดโธไปก็ยังดีห้ใจไปก็ยังดีขอบคุณค่ะหลวงพ่อ ค่ะกราบนะมัท ส, ส ก, การหลวงพ่อคะวันนี้โยมได้เหมือนธรรมะจัดสรร น, นะคะว่าวันนี้เนี่ยปกติก็ไม่ค่อยได้มาวัดที่นิวยอรเท่าไหร่นานๆจะมาครั้งหรือมีเทศ ก, กาลสําคัญก็จะมาวันนี้ก็ก็ถือว่าธรรมะได้จัดสรรเนี่ใ้ให้ได้โยมมาพบท่านพาาระอาจารย์ปลาโมดนะคะโยมขอคําถามว่าคือหลังจากที่สวมดมนต์แล้วเนี่ย พยายามเออก็จะนั่งสมาธิทีนี้ในขนาดที่นั่งสมาธิเนี่ยสักประมาณสองสามนาทีเนี่ยจิตเนี่ยก็จะขึ้นอธิษฐานทันทีเลยนะคะเพราะว่านนอธิษฐานนี่ยค่ะมันก็ดีนะมันอธิษฐานในทางดีก็ยังดีแหละไม่อธิษฐานทางร้าย <c oughs> มันก็ได้บุญนะ <c oughs> แต่ไม่ได้มรรคผลเนาะถ้าสะเอามรรคผลนิพพานก็ต้องดูความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของกายของใจ ไนะอ้นั้นอธิษฐานนี่ก็ตั้งใจที่ดีนะอธิษฐานนี่ไม่ไม่ใช่แค่นึกนึเอานะคําว่าอธิษฐานถ้ากลายเป็นบารมีนะหมายถึงว่าเมื่อตั้งใจจะทําอะไรที่ดีแล้วลําบากแค่ไหนก็ไม่ถอยอย่างนั้นถึงเรียกเป็อธิษฐานบารมีขั้นะนึกอธิษฐานไปส่งเดชนะเราก็ไม่ทําสักเรื่องไม่มีบารมีนะค่นะขอข อ, ขอคำถามที่สองน้นนะคะว่า คือบางครั้งเนี่ยเราไม่มีเวลาที่จะนั่งสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเจ้าค่ะทีนี้เราก็เดินทางไปทำงานเนี่ยเราก็นั่งรถเมล์ไปแล้วก็แล้วก็สวดมนต์ในใจนะสวดมนต์ในใจเพื่อเพื่อให้สวดมนต์ตามที่เราเคยสวดประจำวันนะเจ้าค่ะอย่างนี้ไม่ไม่ทราบว่าการสวดมนต์เนี่ยจะจะมีผลหรือเปล่าเพราะว่าเราเราไม่ได้นั่งสวดมนต์ต่อหน้าพระพุทธรูปเจ้าค่ะสวดที่ไหนก็ได้สวดไปเถอะ บางคนบอกว่าเข้าห้องน้ำห้ามสวดเขาห้ามเราไม่ห้ามเราพุโทโธของเราทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่ไหนเราก็พุโทโธของเราก็ได้หรือไม่ชอบพุทโทมันสั้นไปสวดมนต์น้โมตัดสาเราก็สวดไปเถอะสวดให้ใจมีเครื่องอยู่แล้วให้ใจฟุ้งซ่านให้รู้ทันใจดีให้รู้ทันใจร้ายให้รู้ทันรู้ทันไปสวดมนต์แล้วรู้ทันจิตใจไปขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ เนี่ยสวดเป็นนกแก้วนกขุนทองนะส่วนมนต์แล้วก็คอยรู้ทันจิตใจไปหรือบางทีสวมดมนต์แปลก็ดีนะอย่าธรรมวัดบทธรรมวเช้าเนี่ยดีมากเลยบทธรรมวเช้าเป็นบทที่สอนมิปั ส, สนากรมมฐานนะสอนรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณอนิจจังรูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาสอนแยกขันห้าให้เห็นใจรักเนื่ยของวิเศษเลย จีถ้าเราสวดเปล่าๆไปก็ได้บุญนิดหน่อยถ้าเรารู้ความหมายแล้วก็ไปปฏิบัติได้นะจะได้มากได้ผลนะดีใหา่ชี้เกียดตสวดมนต์ว่ามาไม่สงสัยอะไรทานาก็เป็นก็ผมปฏิบัติสายพองยุบมาสามปีครับแล้วก็ผมเกิดสภาวะรมเวลาขณะเดินจงกรมอย่างนี้อาจารย์ขณะที่ยกเท้าย่างไป ผมเห็นว่าขณะย่างเนี่ยเท้ามันหายไปแต่ก็คือผมก็กําหนดรู้อะครับอาจารย์กําหนดรู้ไปแล้วก็ อ, อันนี้มันเกี่ยวกับไตรักบะครับที่ว่าก็จิตมันดับนะจิตมันดับความรับรู้ลงไปขามก็าหายไปครับผแต่จิตมันขึ้นมารับรู้ใหม่ขามก็มีแสดงว่าเดินช้ามากจิตตกผวังเดินช้าครับ <c oughs> ก็คือพยายามเดินช้าแล้วก็ส่วน การนั่งสมาธิอะคะ่อะอาจารย์เดินช้าเนี่ยเบื้องต้นเดินชา้าได้นะเบื้องปลายต้องเดินธรรมชาติเลยครับผมเราอย่าไปแกล้งหน่วงอารมณ์ให้ชา้าลงแต่เราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นครับนะผมส่วนการนั่งสมาธิบางครั้งพองอยุบองหง่ะคะ่ะอาจารย์เวลาขณะพองมันก็คือมันก็พองพองพองพองพองพองจนสุดพองไปเลยบางทีสุดพองไปเนี่ยบางทีแบบผมแบบเหมือนกับ อึดอัดหายใจไม่ออกบางทีขณะสุดยุบมันก็คือมันก็ยุบติดสันหลังบางทีมันแบบเหมือนสภาวะเหมือนกับมันจะมันจะตายแต่มันก็ไม่ตายอะครับอาจารย์อันนี้มันยังไม่เคยเห็นใครตายเลยเพราะว่าบางทีแบบว่าบางทีมันก็กลัวครับอาจารย์แต่ว่าพอผมเจอมันทุกครั้งที่เวลานั่งสมาธิมันจะเกิดอย่างเงี้ยครับอาจารย์เวลานั่งสมาธิหรือไม่ว่าจะปฏิบัติอะไรนะต้องฝึกจิตให้ดีก่อน ผมให้จิตเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูอยากฝึกตัวนี้ให้ได้นะครับเห็นร่างกายมันเดินจิตเป็นคนดูค่อยๆฝ เ, เยเนี่ยบางทีการที่เราดูจนละเอียดยิบเลยนะขยับลิกลิกลิกเนี่ยเราจิตเราไม่ได้ตั้งมั่นจริงคิมจะเคลื่อนลงไปจ้องนะตอนนั้นเรียก ว, ว, ว่าจิตมันไม่มีสมาธิมากพอนะถ้าจิตมีสมาธิมากพอมันจะถอนตัวออกมามันจะเห็นในตัวเนี้ยซึ่งเคลื่อนไหวธรรมดาอย่างเนี้ยไม่มีตัวมีตนเลยครับผม แต่ถ้าเพ่งลงไปนะมันจะเห็นคลิกติ๊กติ๊กติ๊กเนี่ยอันนี้ถล่าลงไปจ้องยิ่งไปกําหนดเข้าไปด้วยนะยิ่งชิดมากไปอีกครับผมกําหนดเอาไว้ทําในเบื้องต้นหรอกอพอดูสภาวะเป็นแล้วไม่ต้องไปกําหนดแล้เสียเวลาแล้วอีกเรื่องหนึ่งครับผมสังเกตว่าเวลาผมนั่งสมาธิอย่างบางทีผมทํางานเสร็จผมกลับบ้านประมาณตีหนึ่งผมนั่งประมาณส่วนมากจะประมาณหนึ่งชั่วโมงอ่า ประมาณเสร็จประมาณตีสองผมก็จะนอนหลับแต่พอหลังจากนั่งเนี่ยผมจะตื่นเช้าทุกวันเลยอาจารย์มันมันเกิดจากสาเหตุอะไระครับเวลาจิตมีสมาธิมากๆนะมันพักน้อยครับผมร่างกายเนี่ยพักนานแต่จิตเนี่ยพักแป๊บเดียวครับผมบนทีนอนอยู่ร่างกายยังเหนื่อยอยู่นะร่างกายกลัวคลอกๆนะจิตตื่นขึ้นมาแล้วคนดูเห็นร่างกายมันนอนเพราะจริงๆ ร, งร่างกายเนี่ยนอนนานหน่อยแต่จิตเนี่ยพักแป๊บเดียว ครับผมถ้าถ้ายัางทู่ซีนอนไปเรื่อยๆนะมันก็จะฝันเลอะเทอะไปครับผมอาจารย์แล้วอย่างนี้ผมจะเดินปัญญาอ่งไครับยังไม่เดิน<ง>จิตต้องตั้งมั่นนะครับผมขณะนี้จิตเป็นยังไงปรบหลวงพ่อได้ไหมขณะนี้จิตก็รู้สึกว่ามีอาการสันนกลัวกลัวนิดนึงแล้วไปข่มไหมดว อ, อกไหมดูออกครับก็<อ>คือนะตัวนี้นต้องรู้ครับผมนะ แล้วถ้าไม่ขมไว้เนี่ยจิตตั้งมั่นถึงฐานจ ร, จริงๆหรือเปล่าหรือว่ากระจายกว้างๆมีแต่ความสุขกว้างๆอยู่ไปดูให้ดีนะครับผมถ้าจิตแม่มีความสุขกว้างๆว่างๆอยู่เงินทั้งวันนะไม่ได้เดินปัญญาครับไปติดความว่างอยู่ข้างนอกค่อยๆย้อนกลับเข้ามาข้างในครับมาดูกายดูใจครับผมไปค้างอยู่ข้างนอกนะแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วรู้สึกรู้สึกเนี่ยไอ้ น, นี่ออกนอกเท้านั้นเลยสมาธิไม่ดีครับผม ก็หมดแล้วครับอาจารย์ขอบพระคุณครับเวลาจิตหนีไปคิดต้องคอยรู้ด้วยนะจิตไหลแวบบรู้สึกแว บ, บรู้สึกไปนะสงสัยทราบไหมเออสงสัยขึ้นมาให้รู้ทันนะนำมัศ ก, การค่ะหลวงพ่ อ, อ, อคือคิดว่าตัวเองติดประคองค่ะแล้วคราวนี้แบบว่าตอนช่วงนี้มันก็ขบฟันแล้วมันหยุดไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> จนกระทั่งวันทีลริ้นเปนแผลเลยค่ะโอน่าสงสาร ก็ไม่ทราบจะทํายังไงดีในนี้ก็ดีกว่าแต่ก่อนค่ะดีกว่าค่ะเออแต่ก่อนขบแรงกว่านี้แผลก็ใหญ่กว่านี้แต่ก่อนไม่ได้ขบค่ะแต่ว่าเครียดอ่ะไม่เครียดค่ะแต่แต่ครั้งสุดท้ายที่ส่งกันบ้านหลวงพ่อที่เมืองไทยหลวงพ่อก็บอกว่าดูชำช้ใช้ได้แล้วนั่นมันดีขึ้นแล้ะไม่ทราบเลอค่ะคือนาวนาถ้าภาวนาไม่เป็นนี่จะบัคับตัวเองอใจมันจะนิ่งๆแข็งๆเครียดๆอยู่นะทื่อๆ ใจไม่ปร่งโลงเบาไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาจิตที่ดีที่สุดนะคิดจิตธรรมดานะีเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเรามีสติระลึกรู้เท่าทานความเปลี่ยนแปลงไปนั่นะดีที่สุดถ้าจิตไม่ดีก็คือไปบังคับมันนิ่งๆก็ไปจ้องเอางไม่ได้อะไรขึ้นมามเหนื่อยแบบเราอย่าบังคับมันคือมันเป็นไปเองค่ะมันชินค่ะมันเคยชินค่ะไม่มีอะไรเกิดเองหรอก เกิดจากเหตุทั้งหมดใช่ค่ะมันเป็นแบบของเดิมเอยของเดิมใครฝึกเอาคราวนี้ไม่ทราบว่าคือพยายามดูกายเพิ่มขึ้นเงยมจริงจังเกินไปก็ไม่ได้จริงนะคะหลวงอเอรอะเดี๋ยวนี้ถ้าแบบจะปล่อยไปตามธรรมดาค่ะ <laughs> ไม่ปล่อยจริงรอสิแล้วฮะถ้าปล่อยจริงจิตไม่เป็นอย่างนี้หรอกคือมันมันขยันดู <laughs> ม, นนมันมันโลบเกินรอบนะ มันคืออาจจะโกลัวตัวเงจะไม่มีสติก็ได้ใช่กลัวปล่อยๆไปบ้างใช่ไหมให้มันหลงๆบ้างลงบ้างร้องเพลงสักเพลงสิอไม่เคยชอบร้องเพลงเนี่ยถ้าเนี่ยถ้าจิตซีเรียสอยู่ทั้งวันนะทําอะไรก็ซีเรียสอย่างเงี้ยะไม่ดีหรอกมันเหนื่อยแต่ว่ามันก็ดีกว่าเดิมเยอะแล้วก็ดีกว่าเดิมเมื <c> ่อ <oughs> ก่อนมันแรงกว่านี้แรงกว่านี้อยู่งมือนี้มันก็ไม่ช่วยไม่ค่ยได้เท่าไหร่ะมันมือนี้ขนเครียด เราไม่ไปหาเมืองที่เขาไม่เครียดละ่ะอืก็ไปอยู่เมืองไทยต้องหกเดือนมาแล้วมายิ่งเครียดหนักกว่านี้อีก <laughs> <laughs> อยู่เมืองไหนก็ไม่เครียดเป็นเมืองไทย <laughs> หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําอีกไหมคะอย่โลภนะภาวนาโลภนะ อ, <c oughs> อยากได้ดีอยากพนทุกข์อยา ก, น, ก, อยากนอนอยากนี่ไปมันยิ่งไปบังคับ <c oughs> ตัวเอง ยิ่งบังคับก็ยิ่งเครียดความโลภความอยากเป็นตัวสมุไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะนมรสการค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนว่ามาคื อ, อ, อปฏิบัติมาได้ประมาณเกือบปีกว่าค่ะเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเพิ่งจะมาปฏิบัติเข้มเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนวิธีปฏิบัติเป็น feeling the sensation นะคะ อยากจะทราบว่าปฏิบัติถูกไหมคะเห็นกิเลสไหมล่ะเห็นค่ะเวลากิเลสเกิดเห็นวัยวัก็ดีเห็นแล้วเป็นกลางกับกิเลสไหมหรือไม่ชอบมันไม่ชอบเออยังไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางเห็นกิเลสได้น่ะดีแล้วเรียกว่าเห็นสภาวะนะเมื่อเห็นสภาวะแล้วจิตยินดีให้รู้ทันจิตยินร้ายให้รู้ทันชี้โมโหไหมดีขึ้นมากค่ะอ่คาดไหม ไม่ไม่นะเออดีเราแค่โมโหพออย่าให้ถึงอาคารเป็นคนใจร้อนค่ะแต่ว่ามเมลโหมเราก็หาย เ, ออเร็วดีแล้วคือควรที่จะ ด, ดูใจนะใจเราใจร้อนใจอะไรเนี้ยมันมีโทสะแทรกบ่อยๆนะไม่ว่าอะไรกระทบนะใจจะมีความหงุดหงิดขึ้นเรื่อยๆนะหนูคอยดูตัวนี้บ่อยๆ ต่ไปจะเห็นในความหงุดหงิดกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันนะไม่เกี่ยวกับเราละใจจะสบายกิเลส ก, ก็อยู่ส่วนกิเลสนะจิตก็อยู่ส่วนจิตไม่เกี่ยวกันชีวิตเราจะเบาสบายค่ะแต่ก็มาปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมคะถูกแล้วละไปทำอีกนะค่ะ ข, ขอบพระคุณค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพออ่อตอนนี้ ลูกปฏิบัติตามแนวทางของหลวงพ่อนะเจ้าค่ะเห็นขันห้าทำงานเองโดยอัตโนมัติเจ้าค่ะจิตขณะนี้เป็นไงตอนนี้เหรอเจ้าค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดิ้นอยู่ข้างในค่ะจิตตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะหลวงพ่อถามแต่ละคนถามว่าจิตเป็นไงนั่จะตอบเหมือนๆกันตื่นเต้ตนอะไรแ ต, ต่ตื่นเต้นไม่เป็นไรใช่ ตื่นเต้นถ้าเราไม่เป็นกลางเราพยายามเข้าไปจัดการตัวนี้คือปัญหาเจ้าค่ะลูกติดนิสัยอย่างนี้เลยเจ้าค่ะตื่นเต้นแล้วก็พยายามกดคืนเอาไว้เดี๋ยวนี้ก็เบากว่าแต่ก่อนนะเจ้าเมื่อก่อนข้างๆดูเมื่อก่อนแรงมากเจ้าค่ะวันนี้มีเหตุการณ์คือว่าลูกแล้วก็เพื่อนๆมากันสิบกว่าคนเจ้าค่ะต้องใช้รถตู้สองคันแล้วลูกก็เป็นคนหนึ่งที่ขับเจ้าค่ะคันหนึ่งแล้วก็รอเพื่อนๆมากว่านัดกันหกโมงเช้าเข้ามาถึงเจ็ดโมงกว่า แลลูกก็รู้สึกว่า ใจมันอยากให้เข้ามาไวๆแต่มันกลับรู้สึกเฉยๆเจ้าค่ะแล้วพอขับรถมาก็เห็นว่ามันน่าจะรีบร้อนมันน่าจะร้อนทุรนทุรายแต่มันไม่ทุรนทุรายมันกลับเบิกบานมาเจ้าค่ะแล้วก็หลงทางกันอีก GPS พาไปหลงอีกครึ่งชั่วโมงก็ยังเบิกบานอยู่เจ้าค่ะก็ดีเนื้อขาลัดว่าหลงอีกสักครึ่งชั่วโมงจะได้เบิกบานเยอะๆเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ลูกปฏิบัติเอ คือลูกไปอ่านในธรรมะสอนคำสอนของหลวงพ่อตั้งแต่เป็นเป็นโยมนะเจ้าค่ะตอนอที่หลวงพ่อแนะนำบอกว่าคนปฏิบัติธรรมเนี่ยควรจะหาสถานที่ปีหนึ่งเนี่ยควรจะไปเข้ากรรมฐานหรือไปปฏิบัติทีนี้ลูกอยู่อเมริกาเนี่ยเจ้าค่ะสถานที่ที่ลูกเห็นว่าสปายะก็คือไปเข้ากรรมฐานวิปัสนา สิบวันอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอยู่บ้านก็ได้นะเจ้าค่ะตอนเป็นโยมหลวงพ่อก็มองแบบหนึ่งนะเจ้าค่ะตอนเป็นพระเนี่ยเพราะว่าอยู่ที่ไหนต้องทําให้ได้เจ้าค่ะแต่ทีนี้ลูกเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกเข้าใจเจ้าค่ะยิ่งเที่ยวเที่ยวไปนะ่ยิ่งแยกว่าเก่าก็มีนะเจ้าค่ะแต่เพราะว่าลูกลูกไปเห็นคุณที่ว่าลูกได้ไปเข้าสถานที่นี้แล้วทําให้ลูกเลิกเพ่งนะเจ้าค่ะแล้วก็มีความเป็นกลางเห็นความเป็นกลางได้มากขึ้นลูกนึกถึงบุญคุณเจ้าค่ะ แล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้มามก็ดูเวทนาด้วยจิตที่เป็นกลางแล้วก็หลวงพ่อเมตตาบอกว่าให้ไปแยกธาตุแยกขันลูกรู้สึกว่าลูกเปลี่ยนไปมาก อ, มอย่างไวเจ้าค่ะดีเจ้าค่ ะ, คะถ้าภาวนาเป็นนะภาวนาถูกอ่ะจะเปลี่ยนเร็วเจ้าค่ะ แล้วลูกบางทีจิตมันก็เกิดปัญญาบางทีนั่งไปมันเห็นเวทนาไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมันบอกเห็นไหมเป็นไตรลักษณ์จิตมันก็มาสอนเองว่าให้เห็นไตรมันเห็นไตรลักษณ์ของมันเองค่ะคือบอกจิตให้ทําไม่ได้แต่จิตมันทําเองถูกแล้วล่ะถ้าบอกได้ก็ผิดแหละเจ้าค้าไปเห็นว่าจิตมันเห็นว่าเป็นไตรลักษณ์แล้วมันก็เบิกบานแล้วก็เห็นว่าเบิกบานก็ไม่เที่ยงคือทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าเห็นความไม่เที่ยง เห็นความเป็นอนัตตาเลยทําให้จิตรู้สึกเบิกบานเจ้าค่ะประกาศก็ดีแล้วนี่ลูกปฏิบัติเอาตัวรอดได้หรือยังเจ้าค่ะยังยังอีกเหรอเจ้าค่ะเอาตัวรอต้องเป็นพระโสดาจ้าค่ะลูกพยายามเจ้าค่ะจะขอทวายปฏิบัติเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณหลวงพ่อประโมทปราโมทโชตเจ้ะสาธุนะสาธุขอบคุณเจ้าค่ะมาอเมริกานะไม่ขอต่างสักเหรียญหนึ่งเลยนะ ขออย่างเดียวภาวนานะเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าค่ะลูกปฏิบัติถูกทางนะเจ้าคะลูกจะไปนั่งสมาธิวิปัสสนากรรมาฐานได้ต่อใช่ไหมคะสิบวันอะไรประมาณอย่าไปนั่งเพลงเอานะอย่าไปนั่งเพลงใช่ไหมเจ้าค่ะเอออย่าอย่าไปเพ่งเอานะเจ้าค่ะมีแต่ดูไปด้วยความเป็นกลางข้อหน้าเป็นห่วงมากเลยเวลาพวกเราไปเข้าคอร์สนะบางคนจิตกำลังดีเลยไปเข้าคอร์สกลับมาอย่างนี้ <laughs> เสียหมดเลยเจ้าค่ะหรือบางทีนะไปเข้าที่ปฏิบัติที่เขาสอบอารมณ์อะสอบแล้วเขาค่อยามดัดแปลงซึ่งเรามีสติสามารถชัญญะนะพยายามดัดแปลงให้ไปติดอะไรสักอย่างยิ่งแยกว่าเก่าอีกทีสถานที่ที่ลูกไปท่านเน้นว่าให้มีสติและมีอุเบกขาใหย่ยึดมั่นถือมั่นให้มีความเป็นกลางรักษาความเป็นกลางสิ่งที่ต้องการก็คือความเป็นกลางหลพ่อนิดเดียว สิ่งที่ต้องการไม่ใช่ต้องการความเป็นกลางหรอกนะแล้วก็ไม่รักษาความเป็นกลางด้วยแต่ไม่เป็นกลางแล้วรู้ว่าไม่เป็นกลางเจ้าค่ะถ้ารักษาความเป็นกลางเราก็ได้เป็นกรรมการห้ามวยอยู่แค่นั้นแหะเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเจ้าค่ะลูกเข้าใจแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะรักษามันทําไมขอไม่เที่ยงเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะกับการนามสการหลวงพ่อครับขอโอกาสส่งกันบ้านครับ ก็ปีที่แล้วไปส่งกันบ้านกับหลวงพ่อครับที่ที่ที่เซนหลุย์ครับแล้วหลวงพ่อให้กันบ้านไปพุทโธแล้วก็ดูจิตที่ไหลไปอะครับแต่ว่าเพื่ผมเป็นคนติดเพ่งมากครับเวลาพุทโธปุ๊บมันจะเก่งที่คอแล้วก็มันจะปวดแล้วก็มันจะมองอะไรไม่เห็นเลยก็เลยไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าควรจะทำยังไงเห็นไมว่าปีนี้กับปีก่อนเนี่ยจิตไม่เหมือนกันก็เห็นแต่ว่ามัน ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็เห็นอารมณ์นั่นแหละนะปัญหาถูกแล้วเห็นอารมณ์ได้มากขึ้นปัญหาถูกแล้วเห็นทำอีกนะครับเห็นไหมร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราดูออกไหมก็เห็นว่ามันบางทีเห็นเหมือนในสติหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่ามันเป็นท่อนๆก็ได้ครับแต่กะไม่ได้เห็นตลอดเห็นไหมกิเลสกับจิตเขาคนละอันก็ก็เคยเห็นกิเลสเป็นอ้อ เคยเห็นความสุขเป็นส่วนหนึ่งไหมเนี่ยได้คือให้เห็นเป็นส่วนๆน่ะใช้ได้ครับแล้วแต่ละส่วนจะไม่มีตัวเราแล้วพอเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกนะในที่สุดจิตก็สรุปได้ว่าทุกส่วนอ่ะไม่ใช่ตัวเรานะครับที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะจิตพัฒนาขึ้นเยอเลยอ๋อครับกับโลข้างๆก็ดีนะอืครับผมโลกเรื่องปัญหาเรื่องติดเพ่งนะครับคือแบบว่าตอนนี้ผมทําในรูปแบบตอนเช้ากับตอนเย็นวันละ เวลาสิบนาทีครับไม่ไม่ไม่ไม่ติดเพ่งหรอกอ๋อเพราะว่าผมเมื่อก่อนหน้านั้นเคยทำเป็นแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันมันเพ่งมากเลยครับเราก็เลยก็เลยไม่กล้าทำก็เลยอย่างขนาดนี้กำลังดีนะครับครับครับผ ม, บผมแล้วเมื่อกี้มีอ่ามีคนฝากถามว่าอ่เป็นย้ำคิดย้ำธรรมครับไม่ทราบว่าจะ ฝางงกถามว่าอะไรนะฝากถามว่าเป็นคนย้ําคิดย้ําทําจะจะทํำยังไงดีครับ๋อทําใจห้ามไม่ได้หรอกก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> นิสัยมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ย้ําคิดย้ําทําแล้วพุ่มใจขึ้นมาให้รู้นะโ <c oughs> มะโหขึ้นมาให้รู้นะ <c oughs> ให้รู้ท <c oughs> ันใจเอาจะจะห้ามไม่ให้ย้ําคิดย้ําทําไม่ได้ย้ําคิดย้ําทําแล้วเกิดความรู้สึกอะไรอะให้รู้เอาหยุดไม่ได้ก็เราเป็นคนย้ําคิดย้ำทาหยุดก็เสียเอกลักษณ์เรา เออมันคิดไปเหแต่ว่ารู้ทันจิตไปเรื่อยนะต่อไปมันเลิกเองมันรู้สึกว่าไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรมันก็เลิกของมันเองถ้าพยายามจะเลิกไม่เลิกหรอกฮะโอ้ทากรรมฐานขั้นเด็ดขาดนอนเลย <laughs> ให้คอยรู้ทันความรู้สึกไปนะถ้าต้องการถึงเวลาสมควรนอนก็นอนแล้วอ่ะแล้ว ที่ปฏิบัติอยู่ก็ให้ปฏิบัติไม่มีกฏิบ้บานเพิ่มใช่ไหมครับใช่ตาไปครับแล้วมีมีคำถามสุดท้ายครับหลวงพ่อคือผมฟังในซีดีหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าบางบางคนบอกว่าเห็นจิเลตแล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ดูให้ดูว่ามันเกิดขึ้นเองมันมันไม่ไ ด, เไได้เราไม่ได้สั่งแล้วเราก็สั่งให้มันไปไม่ได้แต่เวลาผมไปดูรู้สึกเหมือนจะมันจะกดกดอยู่นิดนึงจะเป็นอะไรไหมครับมันเหมือนมันก็ให้รู้ว่ากดเออ อันนั้นหลวงพ่อสอนให้เขาดูอนัตตาเขาก็อารมณ์รุนแรงกับเกลียดเกลียดมันครับให้ดูไปมันทํางานของมันเองไม่ใช่ตัวเราหรอกครับแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันหรอกบางคนเห็นไม่เที่ยงบางคนเห็นไม่ใช่ตัวเราครับนะแล้ววันนี้พาแฟนมาด้วยแฟนจะขอส่งกันด้านอีกนึ่งนะครับเอาว่ามากลับหลวงพ่อเสียงดังๆหน่อยนะเครื่องบินมันดังกลับงานหลวงพ่อค่ะ คือหนูไม่หนูไม่รู้ว่าเหมือนส่งกันบ้านหรือเปล่าเลยว่าคือหนูจะมีความรู้สึกกลัวอยู่ตลอดเวลาเลยนะค่ะทุกครั้งที่มีสติก็จะกลัวแบบกลัวค่ะความจริงไม่มีสติก็กลัวนะใช่ใชคือแต่ว่าเรามไม่เคยเห็นว่าเรามีสติเลยรู้ว่ามันกลัวเราเพิ่งจะมารู้ว่าเป็นคนแบบนี้เมื่อหลังๆนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพัฒนาค่ะแล้วก็แบบ คือกลัวแม้กระทั่งจับไมคครโฟนยังไม่กล้าจับเลยนะคะแล้วก็อย่างนี้มันทําให้ปฏิบัติได้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกลัวก็ให้รู้ว่ากลัวนะดูไปว่าความกลัวกับจิตใจก็โคละอนกันนะความกลัวเป็นอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเป็นแค่คนรู้ว่ามันกลัวฝึกมากๆเข้าต่อไปความกลัวจะครอบงําจิตใจไม่ได้แต่มันก็จะกลัวอย่างนั้นต่อไปแ ต, ต่อไปมไม่มก็เลิกกลัวเพราะมันครอบงําเราไม่ได้นะกิเลสทั้งหลายอ่ มันมาย่ำยีหัวใจเราได้ซ้าแล้วซ้าอีกเพราะเราสู้มันไม่ได้ถ้าเรารู้ทันมันมาแล้วเรามันครอบงำเราไม่ได้ทีหลังมันก็เปลี่ยนหน้าไปเอาตัวอื่นมาครอบงำแทนแล้วหนูควรปฏิบัติแบบยังไงให้ชนะความกลัวได้ไม่ได้ปฏิบัติเอาชนะความกลัวนะปฏิบัติให้เห็นว่าความกลัวก็ไม่เที่ยงความกลัวก็บังคับไม่ได้นะถ้าคิดจะเอาชนะกิเลสหลวงพ่อไม่เคยเห็นใครชนะกิเลสเลยนะ ให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงใช่จึงแม้ว่ามันจะเกิดอยู่แทบตลอดเวลาที่เรามันไม่ได้กลัวตลอดเวลาไม่กลัวตามที่คิดใช่ค่ะอย่างตอนตกใจก็ไม่ได้กลัวอย่างขำก็ไม่กลัวแต่อพอกําลังจะทําอะไรสักอย่าง Rose, กลัวแล้วอะไรเ ง, ง, งี้ยมันตามหลังความคิดมาแสดงว่าต้องรู้ว่าคิดอยู่อะไรเงี้ยคะแล้วก็รู้ว่ากลัว อ, อะไรเงี้ยไอ้นั้นเยอะไป แค่กลัวแล้วรู้ว่ากลัวไปรู้ว่ามันกลัวอห้ามมันไม่ได้บอกมานนี้ก็ยังไม่กล้าทําอยู่ดีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคไม่เป็นไรยิ่หน่อยก็กล้าให้รู้ว่ากลัว อ, อ, ข, อขอบคุณนะคะนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อปีกายหลวงพ่อมาที่แคลิฟอร์เนียมหลวงพ่อได้เมตตาให้ลูกไปทํากันบ้านคือว่าไปดูกายลูกก็ไปทําตามได้ไปสวดมนต์ไหว้พระ ทำตามรูปแบบคือลูกใส้เดินจมกร ม, มลูกก็ทำไปทุกๆวันลูกก็ไหวพาสวดบนเดินจมกรมแต่คิดว่ามันก็พัฒนาน้อยๆทวมมันก็ไม่น้อยนะสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้เป็นบางคราวหลวงพ่อก็อย่างดีนะบางคนทั้งชาติมันไม่เคยเห็นเลยขันแยก <laughs> แต่ ลูกต้องทำอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆนะทไปเรื่อยเอออย่าใจร้อนอย่าไปกังวลว่าทำแล้วจะดีทำแล้วจะไม่ดีนะขอให้ได้ทำนะขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะโยมเคยปฏิบัติสมาธิมาเป็นเวลายี่สิบกว่าปีนั่งไปนั่งไปวันหนึ่งก็ตัวตอนหายหมดเลยไม่มีแขนไม่มีขา้ออาทับมือซ้าย ขวาทับซ้ายก็ไม่มีหายไปไหนหมดก็ จ, จิตมีสมาธินะร่างกายก็หายโลกทั้งโลกยังหายเลยเลอจิตดวงเดียวแล้วตอนนี้ต่อบไปคุณมาอาจารย์ก็มรณาภาพไปแน่นิยมก็ไม่ได้ปฏิบัติต่ออันนี่เขาฝึกกันนะเสื่ม <นะ S 1> ไปเสืสรืเสื่อมต้องซ้อมไปเรื่อยสมาธิถ้าเป็นของเสื่อมนะไม่ซ้อมก็หายแต่เวลาเรานั่งเราเคยนั่งจนร่างกายหายไปแล้วอย่าไปหวังว่ามันจะหายอีก ถ้าหวังว่าจะหายมันจะไม่หายอีกแล้วไม่หายอีกแล้วเออจะไม่หายต้องทําภาวนาไปเรื่อยๆมันหายของมันเองการที่ฝึกจนร่างกายหายนี่นะเป็นอู่ใบเป็นแท็กติกอย่างหนึง่งเพื่อจะให้เห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนล่านกันเห็นไหมว่าร่างกายหายไปหมดเหลือแต่จิตอันเดียวพราะร่างกายกับจิตเนี่ยโคนละอันกันพอสมาธิถอยออกมามีร่างกายต่อไปมันจะเห็นเลยว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกจิตเป็นคนไปดูมัน เมฆที่เขาฝึกแยกไกลให้จนร่างกายหายไปนะก็เพื่อตรงนี้ตอนนี้เราก็ต้องมาพัฒนาใหม่<ช>เริ่ม<ช><ช>ต้นใหม่เลยใช่เริ่มต้นใหม่ทุกวัน ะ, นะแล้ววันหนึ่งก็เคยนั่งดูจิตเห็นจิตมันไหวอยู่ตลอดเวลาเออน่นเ่เละแล้วก็มันเป็นเพราะว่าที่มันสั่นไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นเพราะว่าไอ้ลมหายไอ้ไอ้หัวใจมันเต้นอยู่ตลอดไม่ใช่ไม่ใช่นะถึงหัวใจมันหยุดเต้นแล้วมันก็ยังไหวได้ มันสั่นอยู่ตลอดเวลาใช่มันฟิวฟิ้วฟิวอยู่กลางหน้าอกนะอาจารย์มหาบัวสอนทำแท้เกิดขึ้นกลางอกภาวนาพอสติสมาธิปัญญาละเอียดนเห็นแต่ไหวยิบยับยิบยัยบยอยู่กลางอกเวลารู้เนี่ยรู้ห่างๆอย่างที่โยมรู้อย่างนี้ใช้ได้อย่าลงไปจมลงไปอย่าไปคลุกกับมันดูห่างๆไว้ได้จะเห็นเลยว่ามันมีแต่ทุกข์คือวิปัสสนาไม่ใช่สมถะใช่ไหมค่ะใช่ เห็นวิปัสสนาตอนนี้โยมต้องปฏิบัติยังไงต่อบ ป, ปฏิบัติอย่างนี้แหละแต่ถ้าวันไหนแบ่งเวลาไว้นะทําความสงบทุกวันทุกวันแต่ว่าสงบแล้วก็ปล่อยให้จิตมันทํางานให้เห็นมันไหวๆขึ้นอย่างนี้ลหลภาวนาพอถึงละเอียดแล้วไหวๆอย่างนี้เลยแต่อย่าจมลงไปอยู่ที่ไหวๆอขอบพระคุณค่ะแล้วแล้วพระยายมีอะไรจะแนะนําอีกถ้าท<ช>ําบ่อยๆอย่าอยากได้ถ้าอยากแล้วไม่เป็นอขอบพระคุณค่ะ เรียนทำขอเข้ามาก่อนนะคะคือเออเป็นเหมือนกับเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะเกิดแล้วเติบโตที่นี่แล้วเขาเป็นโรคที่รักษาไม่หายเขาจะต้องภาวนายอย่างไงคะเป็นโรครักษาไม่หายโรคทางกายหรือทางใจเป็นทางกายค่ะทางกายก็ช่างกายไปให้หน้าที่ของหมอห เ, เราก็ดูแลใจของเราไปใจเราเครียดขึ้นมาก็รู้ใจกังวลขึ้นมาก็รู้น ะ, ะรู้ทันใจไปเรื่ยร่างกายก็ให้หมอเขาะจัดการไปอาชีพครับ แต่ถ้าทางใจก็รักษาทางใจเราต้องรักษาเราเองอแล้วที่อันนี้ส่วนตัวจะเจรินถามว่าที่ท่านบอกว่าให้ระวังว่ามันจะสุขว่างๆมันหมายถึงว่าไม่ถึงฐานหรือเปล่าคะจิตมันจะเคลื่อนออกไปข้างหน้าแล้วก็โลง่โลงๆว่างๆอยู่ทั้งวันเลยสบายเผลอๆมันจะเนียนๆ เ, เนียนๆ น, ย น, น, ย น, นั่นแหละตัว<ด>กระต้นห่ากลับมารู้สึกกายบ่อยๆเลยนะถ้าจิตไปติด ต, ตัวนั้นไม่ได้เรื่องเลยหลวงปู่มั่นบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉย นแหละจิตปิดเฉยหายใจไว้หายใจแล้วเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาหายใจแล้วรู้สึกกลับเขมาไหนะมันรู้สึกชัดขึ้นอย่าให้ลอยเวงกฟางอยู่ข้างนอกหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกนะแต่อย่าทํามากหายใจแล้วรู้สึกมากไปมนจะแน่นเอาทีสองทีพอรู้สึกเข้ามารู้สึกเข้ามาสองสครั้งพอแล้วก็ปล่อยให้มันทํางาน การนวัสกาหลวงพ่อค่ะคื อ, อ ป, ปกติเนี่ยคือจะปฏิบัติแบบอพองยุบค่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือว่าจะอยากจะลองปฏิบัติตามแนวทางที่หลวงพ่อแ น, นวทาง ท, ที่หลวงพ่อสอนเนี่ยนะใช้วิธีพองยุบก็ได้นะคือสิ่งที่หลวงพ่อสอนเนี่ยคือหลักของการปฏิบัติเช้าพุโทโธรู้ลมหายใจพองยุบทําจังหวะอย่างหลวงพ่อเตียนนั้นคือวิธีการปฏิบัตินะ ถ้าถ้าหลักการถูกต้อง internet, วิธีอะไรที่เราถนัดเนี่ยใช้ได้เหมือนกันหมดเลย mm hmm. ลองรู้ท้องพองยุบด้วยใจที่เป็นคนดูเห็นท้องมันพองท้องมันยุบใจไม่ถลําลงไปที่ท้องลองทําสิแต่รู้สึกว่าเวลาทําทุกทีคือทำท ำ, ท ำ, ทำจะทําได้นานแต่ว่าจะเคลิ้มอะ <Für> ค่ะนั่นแหละมันกลายเป็นสมถะไปเกือบร้อยละร้อยเลยของนักปฏิบัติทุกสายเลยนะที่ว่าเจริญวิปัสสนาไม่ได้เจริญวิปัสสนากลายเป็นสมถะหมดเลย แล้วจิ๋มจะเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องเพื่อนแ้สบายหลวงพ่อก็ทําเป็นเรื่องสมาธิเล่นไปติดเด็กแล้วก็พอดีดูได้ดูจากใน youtube ที่ที่ทางที่หลวงพ่อสอนนะคะว่าให้ลองทําเป็นตารางอะค่ะว่าวันนี้ในแต่ละวันเนี่ยจะมีมีมโหลกกนลงเนี่ยค่ะก็คืออยากจะลองปฏิบัติดูมั่งเนี่ยค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนําแล้วก็อันนั้นเป็นแค่อุบายเบื้องต้นนะเพื่อให้หัดดูสภาวะบ่อยๆ แทนที่ว่านักานจะมาดูสักทีนะก็เมื่อค่อยสังเกตเรื่อยๆเดี๋ยวโลภใช้คะแนนช่องโลภแีก<ล>คือถ้าถ้าถ้าเราไม่สามารถที่จะจําแนกได้ว่าโมโหหรือว่าโลภหรือว่าโกรธถ้าเรา<ล>แค่เห็นว่าสิ่งบ า, างาอย่างาเกิดขึ้นมาแล้วหายไปแค่นั้นพอละอนะไม่ต้องใส่ชื่อมันก็คือว่าถ้าท่านทําแต่ละวันเนี่ยก็คือสามารถที่จะทําในช่วงนั้นเลยหรือว่าหรือว่าเราจะต้องมารวมทําทีเดียวหรือว่า เดินขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ทําตอนนั้นแหละแต่นั้นเป็นอุบายเท่านั้นเองนะคืออย่างพวกเราเนี่ยเราอยากรู้ไม้มว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแต่ว่าอันนี้เป็นแค่ป๊อปเท่านั้นนะหมายถึงเป็ น, เ ป, นเป็นโอกาสวิธีที่จะดูนะจิตของเราเองเป็นที่เป็นผู้จําแนกว่าเราจะไปเกิดในพวกภูมใิใดถ้าจิตของเรามีโทสะเยอะนะคุ้นเคยกับโทสะเนี่ยโอกาสตกนรกสูง เวลาเราโมโหเราตกนรกอยู่ตอนนี้นะ้วเวลาตายถ้าตายด้วยจิตที่โมโหก็ตกนรกองกแล้วถ้าเรามีความโลภสูงนะเราจะไปเป็นเปรตเป็นเปลตถ้าเราเซลจากเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะเป็นอสุรกายถ้าเราใจลอยเราเหม่อเอนะเราเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไม่พวกหมาพวกแมวใครเลี้ยงบ้างเวลามันอยู่ตัวเดียวไม่มีใครยุ่งกัามันนะมันจะใจลอยเหม่อเหม่ไป ท้าเมไรใจเราเป็นบุญเป็นกุศลอะไรเงี้ยก็จะไปสู่สุคติงั้นเราให้เราหากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งนะเอากระดาษที่ใช้ไปด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งยังใช้ได้แค่นี้ก็พอละได้ไประหยัดมาตีเป็นช่องๆนะรอบโกรธหลงอะไรเนี่ยถ้าใจมันลอบขึ้นมาทีก็ให้คะแนนช่องรอบหนึ่งทีใจมันโกรธก็ไปใส่คะแนนช่องโกรธเราจะดูว่าใน5นาทีเนี่ยหนาทีพออย่าเล่นมาก ในห้านาทีเนี่ยใจเรามีกิเลสตัวไหนบ่อยที่สุดใจเราคุ้นเคยกับโลภหรือโกรธหรือหลงนะมันพอจะทำนายได้ว่าตายแล้วมีโอกาสจะไปเกิดที่ไหนเอเกมนี้ถ้าเป็นเมืองไทยหลวงพ่อจะบอกว่าห้ามเล่นในฤดูหนาวเพราะเล่นแล้วจะหนาว <laughs> เล่นแล้วจะสยดสยองส่วนใหญ่กาจะพบว่าไปทุกขติทั่านั้นเลย พระพุทธเจ้าสอนอว่าส่วนใหญ่ตายแล้วไปทุกขตินะไม่ใช่ไปก็สุขติหรอกแต่ถ้าใครเล่นเกมที่หลวงพ่อบอกนะจะไปสุขติเพราะคะแนนรวมของโรคโกรธหลงนะคือสติรอบหนึ่งครั้งรู้ว่ามีความรอดก็คือมีสติหนึ่งครั้งโกรธขึ้นมาทีหนึ่งรู้ว่าโกรธก็เวี่าวมีสติหนึ่งทีนั่นคะแนนรวมของมันนั่นนะคือสติ แั่ถ้าใครเล่นเกมนี้ไม่ไปอบายหรอกสติเกิดบ่อยไปหัดเล่นดูก็ได้นะคือว่าที่ที่ท่านท่านบอกว่าให้แยกขันแยกกายนะคะให้ดูกายาในการทำสมาธิบางทีเนี่ยจะไม่ไม่แยกเป็นส่วนๆค่ะพอสมาธินี่จะแบบว่า ดูจนกายหายไปเลยค่ะแล้วก็เหลือแต่จิตออออแล้วนี่ควรจะทํายังไงต่อคะก็พอจิตถอยออกจากสมาธิมีร่างกายนะก็รู้สึกไปเลยว่าร่างกายกับจิตเนื้อคล่านกันะนะดูอย่างนั้นเลยเป็นวิธีแยกกากับจิตออกจากกันนะแต่ขนาดนั้นยังไม่ได้มรรคผลนะคะเป็นเรื่องของสมาธิค่ะ หลภาพทำมาแต่เด็กเ่ยกายหายโรคหายเงงขาตอนถอยออกจากสมาธิก็รู้สึกเลยลงกายกับจิตเนี่ยครละอันอกันนะเป็นนัแหละต่อมาสการ์ค่ะหลวงพอ่ออันนี้เป็นคำถามที่ได้คุยกันกับเพื่อนฝรั่งที่เขาสนใจศาสนาพุทธมากแล้วเขาบังเอิญแนะนำให้ท่านให้เขาอ่านหนังสือของหลวงพ่อซึ่งเป็นภาษาอังกฤษนะคะทีนี้เขาก็ไม่เข้าใจคาว่า สมถะกับวิปัสสนาเขาไม่แน่ใจว่าความหมายมันลึกซึ้งแค่ไหนหรือมีความหมายเชเดี๋ยวให้ฝรั่งคนนั้ชื่อเจสสอนให้นะฝรั่งคุยกับฝรั่งก็ค่อยรู้เรื่องดูเอาละล่ะได้เท่านี้นะ